و ละฉันเห็นว่ามูฮ و มหม ل ดเป็นผู้เป็นท่านและ ا ู ه เ ا ยพระวจนะขอพระเจ้าทรงอวยพรแก่มูฮัมหมัดและบรรพบุรุษของเขาและผู้ ه ี่ติดตามพวกเขาด้ ل ยความดีงามจนถึงวันพุ วับิกะนัยยาวับิกะนามูตุไว l a ลิกะม a ซไว a เลิกะนุชูร์ ا ل س ل ا a ع a ي ك م l ر ح م ة الله و ب ر ك ا ت l ท m านป a h m านมูล a h i ิ a จ a อ Ahmad Nana ท่า a อิห a n าม a ัมตุลกอเนีท่ a n พี่น้องมุสลิมีและมุสลิมะทีรักทั้งหลายครับ วอนอื่นเราต้องขอบคุณ a า l a h ชูกรต่อ Allah ห ب ح ا ن ه และุต่าลาที่ a า l a h ให้เรามีชีวิตอยู่นะครับมาถึงวันนี้และให้เราได้มีโอกาสได้เป็นมุสลิมเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลาม ะได้มีโอกาสได้มาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งที่มัสยิดที่มุสลลที่โรงแรมโนว์วูซิตี้อัลฮัมดุลิลลเรามีโอกาสที่ได้เอาอัลกุรอานเนี่ยนะครับจากสุรบาระกัลล์ทีบียาดิิลมุลกุ ว่าวาดาคุลิชัยิงกอดีศูรห์นี้มีทั้งหมดสามสิบอายะซึ่งเราได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับว่าผูดด้ใดที่อ่านสูรห์นี้นะครับแล้วก็รู้ความหมายของสูรห์นี้อัลลอฮให้สองรายการรายการที่หนึ่งก็คือเขา ขณะที่นอนอยู่ในสุสานอยู่ในกูโบเนี่ยถ้าหากมีความผิดพลาดมีบาปติดตัวไปพี่น้องเขาก็จะได้รับการอภัยโทษจากอรลันต์คที่สองคนที่อ่านกวรอ่านสุรหนี้มันต้องอ่านทุกวันแล้วก็อย่าอ่านคนเดียวให้ คนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยจะมีเวลาได้อ่านอัลกุรอานด้วยเช่น ม, มีลูกก็ให้ลูกอ่านมีน้องสาวพี่สาวก็ให้พี่ๆน้องๆเนี่ยอ่านกราุรอานโซโลนี้คือพูดอีกคำหนึ่งก็คือท่องจํากุรอานในยานนี้พร้อมกับรู้ความหมายของอัลกรุรอาน เูกต้องครับเอาลอจากอภัยโทษในความผิดต่างๆให้แต่มีข้อแม่นะคนที่อ่านกรุงอาน ญ, ญิยานี้ข้อแม้มีอยู่ว่าเขาจะต้องเป็นคนที่เข่งครัดต่อหลักการคำสอนของอัลอลาฮต้องนมาสารให้ครบวันละห้าเวลาต้องรักษา นามาที่เรียกว่าเป็นนามาทสุนนะหมูอัปการะเนี่ยสุณนะหมูอัปการะก็คือนามาทไม่ใช่ฟรัตูวันหนึ่งสิบสองลักกะอัดควรักษาสม่าเสมออย่าให้ขาดนามาทซูโบสองลักกะอัก่อนนามาทซูโบมีสองลักกะอัเรียกว่านามาสุณนะหมอักะเวลาเนียตก็เนียสุนะนี่แหละนมาสุนะสองลักะอัดก่อนนมาทซู แล้วก็อ่านสุระอนไหนละ่ะที่ท่านนาบสีสอนแล้วก็นบีก็ทําให้เห็นด้วยก็คือเมื่ออ่านสุร้อนปติหาจบแล้วให้อ่านสุรอกุลยาอายุหลกาฟิรูนในในรักอัตที่หนึ่งในรอกอัตที่สองเมื่ออ่านสุร้อนปติหาแล้วก็ตามโดยสุระอน กุลหวอัลลอฮอาหดในนามาตซุนนะก่อนนมามัตพารดูซุโบสองลักษณะต่อมาในเวลานมาตบายเราเรียกว่านามาตซูฮฺหรือมาซูฮฺรีนมามัตซุนนะโมอักร์ก่อนนามาตซูฮฺรีนมีสี่ลักษณะนะครับทำทีละสองแต่พวกเราขี้เกียจทำสอง สอง น, นก็แย่อยู่แล้วรอบางทีก็รอนั่งเฉยๆไม่อ่านนามาศก็มีก็พยายามรักษาเถอะพราะอายุเราก็เยอะแล้วชีวิตที่ผ่านมาก็ทําอะไรผิดๆเยอะยังไม่ได้ตับบกับเนื้อกับตัวเลยนามาศก่อนุทศก่อนบ่ายนี่สี่เราก็อัดทำผิดแล้วสองเราก็อัดถามว่าอ่านซูร้อนไหนล่ะก็อ่านแบบ นามสูบนันะเรากาอัดแรกอ่านอะไรนะสุรฟัติฮะตามด้วยคุลิยาอายุฮัลกาเอันให้จบเรากาอัดที่สองก็อ่านฟัติฮะแล้วก็ตามด้วยคุ ล, ลัวละหัวอะฮัดฮมดุ ล, ลิลลาห์แลเสีเรากาอัดเน่ยอ่านยังไงก็อ่านมันเหมือนกันนั่นแหละี่าบางคนท่องไม่จำสองสุร้อนนี้ไม่จำก็เอาสุร้อนไหนก็ได้ที่จำนะครับ แตท่านพยายามท่องสองโซล้อนี้ให้จับหลังนมาดบายอีสองลักษณะนะครับก็ทําแบบนมาโซนัทก่อนนมาซูฟรี่และทําเหมือนเหมือนกันก็อ่านเหมือนเหมือนกันสําหรับเวลาอสัสซรีเนี่ยก่อนไม่มีหลังไม่มีก็ทำโดยดีละเบาไปแต่คนที่จะนมาดอยากนมาดมีไหมมี ถ้าอยากละมาเนี่ยเราไม่เรียกว่าสุนนะมุอะกกะดะน บ, บีไม่สอนให้เราเรียกว่าสุนนะมุอะกกะดะคาว่ามุอะกกะดะเนี่แปลว่าน บ, บีทาเป็นประจําไม่ผ่านแตนท้านทหาเราจะทําก่อนละมาอัลซุลีเนี่ทําได้แต่อย่าไปเหนียสุนนะมุอะกกะดะไม่ใช่ในเหนียสละมาสุนนะธรรมดานั่นแหละนะบางคนอยากจะทํามีก็ทํานะครับ แล้วก่อนนามาตมกรีบสองเราก็อ่านไม่มีมีหลังนามาตมกรีบสองเรากอ่านะครับอานแบบไหนก็อานแบบนมาซุโบสองเราก็อ่าะอั่นแหละอ่านเหมือนๆกันนะครับแล้วก็หลังนมาตอิชาอีกสองเราก็อัานะครับอย่าลืมนะเราเนี่ยพอนมาสุนาตสองเราก็อ่านหลังนมาตอิชาแล้วเนี่ย ยังมีน้ำมาดวิตเตสสามเรกาก็อาจตัวต้องรักษาด้วยนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยทำน้ำมานวิเตสสามเรกาก็อาจเฉพาะในเดือนเดือนอะไรรองออนตออีกสิเอดเดือนนี่ยไม่ค่อยได้ทำอีกสิบเอ็ดเือนนี่ไม่ค่อยได้ทําเพราะอะไรเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทาที่บ้านก็ไม่ค่อยได้ทำมะก็ไม่ค่อยได้ทําโตที่บ้านก็ไม่ได้ทํา แต่เราทําเพราะเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะนบีทําไม่ขาดนามานวิเทกเนี่ยน้มาตอนดึกๆก็ได้หรือจะนามาตอนหลังนามาอิชาเลยก็ได้ทังที่เราตั้งใจว่าคืนนี้จะขอนอนให้สบายตื่นสุโบโเลยนะก็นามาวิเทกไปเลยเพราะมันเนียนไม่น้ำมาตะฮยุสมีไหม บางคนเนียตลอดปีเลยตาหัดหยุดไม่เคยทำเนียตลอดปีฉันไม่ขอทำนมาตาหัดยุดพยายามเถิดพี่น้องรักษาคือว่าอามาลุนซอลยุ่นอามันที่สอนนะแต่ด้านถ้าลุกขึ้นน้มาตาหัดยุดได้ตอนกลางคืนอย่าน้ำมานเยอะพี่น้องเดี๋ยวมันจะทอ้อเอาแค่ซองก่อนเอออร่อยดีน ะ, ะ อ, อ้าขอขอสี เอ๊นมาแล้ว ม, ม, มันอร่อยดิเอาขอหกเอ๊ะหกนอร่อยขอแปดก็นมาได้ถึงแปดหลักการมาอะไรนะนมาตะหัจุดพอนมาตะหัจุดจบแล้วอยากจะนมาวิเตสวิเตสเนี่ยมันมีหนึ่งกะอาจมีสามกะอาจมีห้ากะอาจมีได้ถึงห้ากระอัจได้ถึงเก้ากะอก็อยู่ที่เราอะ แต่ท่านนาบีทาเป็นแบบไว้ก็คือว่านาบีจะนามาตะฮัดยุศเนี่ยอ่านยาวอ่านนานคือเกือบจะเข้าสุโบแล้วนบีก็เลยนามาวีเตสแค่หนึ่งรนาพอนาพนามาจบสักสองสามนาทีก็อา่านสุโบเลยถ้าหากเราลุกขึ้นทําแบบนี้ได้พี่น้องอัลลอฮฺยังให้หัวใจเราเนี่นิสัยเราอัคลากเราการพูดการจาของเราเนี่ยดี วัวใจก็จะหัวใจเข้มข้นผูกพันกับอัลลอฮ์ดีพี่น้องพี่น้องครับคนที่อ่านกุณอ่านูุ ร, อร้อนนี้เนี่ยอลัลลอฮ์ให้หนึ่งอะไรนะอลัลลอฮ์จะไม่ลงโทษที่สุสานดีไหมแต่ต้องเข่งขันศาสนานะไม่ใช่อ่านกุณอ่านสุ ร, อร้อนนี้ท่องจาเลยแต่ว่านามาตขาดแล้วขาดอีกอย่าให้ขาดนามา แล้วบารยาส่วนอื่นก็ต้องดีพยายามตั้งแต่งตัวดีสะอาดนะถ้ามีคุณแม่มคุณพ่อก็ต้องดูแลท่านทั้งสองนียอย่างดีเท่าที่มีความสามารถนั่นแหละนะแล้วก็ถ้ามีลูกก็อบรมลูกให้ดีแล้วก็ถ้ า, ามีบ้านช่องก็ต้องจัดบ้านให้สะอาดคือบ้านสะอาดนี่หมายความว่าสามารถที่จะปูเสื่อนามาได้ตรงไหนก็ได้ นะครับแล้วก็ถ้ามีสามีก็ต้องเอาใจสามีเอาคุยเรืสามีนิดหนึ่งผู้หญิงจะไปสวรรค์เนี่ยถามว่าไปง่ายหรือไปยากไปง่ายหรือไปยากผมว่าไปง่ายอ่านจากคั D ดิสเนี่ยไปง่ายมากเลยภรรยาที่จะไปสวรรค์ถ้ามีสามีนะให้ไปสวรรค์ทางนี้ให้ทำแค่สี่ข้อนี่แหละ แล้วก็เลือกเข้าประตูสวรรค์บานไหนก็ได้ประตูสวรรค์มีทั้งหมดเท่าไหร่ถูกไหมแปดอะเท่าไหร่นะแปดช่องอ่าช่องนี้มันจห้องช่องแค่นี้นะเบียดเบียดเข้ากันไม่ได้ร อ, อช่องประตูสวรรค์นี่บางทีเดินสามเดือนยังยังยังไม่หมดช่องเลยความกว้างความความควา ม, ความใหญ่นะนะเอาล่ะว่ามุสลิมเราเนี่นะเป็นภรรยาคน นะครับแล้วก็มีสามีนบีสอนว่าภรรยาจะไปสวรรค์นี่นะเข้าสวรรค์นีง่ายมากให้ทำแค่สี่ข้อปฏิเนือยายามเข้มขัดสี่ข้อนี่นะหนึ่งนามาดไม่ขาดนมาดไม่ขาดวันหนึ่งห้าเวลาไม่ขาดพี่น้องอย่าอย่าเอานมาดไปกอตอเลยนะคอตเนี่ยเช่นอะไรบ้าง อเอาไปกูตอกูตอหลังนมานอิชาเนี่ยจูฮอดก็เอาไปกูตอหลังน้ำมันอิชาอัฟซรี่ก็ไปกูตอที่ที่บ้านนมานอิชาที่นู่นอาะไรเลยพี่น้องมักริบก็ไปกูตอพี่น้องทําอะไรอะทั้งวันเรานั่งดูละครบ้างอะไรบ้างอยู่ข้างนอกบ้างพี่น้อง อยู่ข้างนอกเนี่ยพี่คน้องครับถ้าเราขับรถเองเนี่ยมันน่าจะแวะตามมัสยิดเนี่ยเข้าแ ป, แป๊บๆเองก็ น, นมาเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าเอานมาศีเวลาเนี่ยไปกรอที่ที่บ้านนะอันนั้นที่โตทำมาคุณแม่คุณพ่อทํามาในอดีตพอละชีวิตของเราวันนี้เนี่ยนามาให้ตรงเวลานะนมาให้อยู่ในเวลาของมันดีที่สุด หลอกก็มีอาจารย์หเวลาจะไหมเกิดเรื่องให้นมาสดเนี่ยอา้าวไปน้องไปทำพัดทำบุญรอบกลับมาเห็นหรือยังว่าเขาวิ่งเข้าหาสวกเราเขาเดินไปมสัสยิดกันเนี่ยมันเป็นอิบาตด้าที่ประเสริฐที่สุดที่ดีที่สุดนะไม่มีอะไรแต่แล้วอิบัตด้าทั้งหมดนะอิบัตด้านมาสดเป็นอิบัตด้าที่ดีที่สุด พี่น้องทั้งหลายครับภรรยาหนึ่งนำมาให้ครบวันห้าเวลาสองถือศีนอดนะครับพยายามถือสีนอดอยากให้ขาดหน้าเดือนอมอตตอนอันละมุสลิมาก็ต้องขาดอยู่ละสี่วันห้าวันหกวั น, ว น, ว น, วนเวลามียเพดีประจําเดือนมาใช่ไหมหรืถ้าหากว่าต้องมาบวชใช้อะนะฉะนั้นเดือนหนึ่งอย่างน้อยสักสามวันนะสิบสามค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่าพยายามรักษา แล้วก็ถ้าหากรักษาไม่ได้ก็เอาวันจันทร์กับว oh, ันพระรหัสอาทิตย์ละสองวันโอ้เยอะนะนี่แหละหฮมอุ่นสวยหมดดีหมดรอวันอย่าให้อิ่มเยอะน้องอิ่มเยอะไม่ดีให้หิวหิวบ้างร่างกายเนี่ยดีมากเลยข้อที่ 1, หนึ่งน้มาดให้ครบวรันละหเวลาข้อที่สองถือซึนอดอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งถืออดในเดือนละมากรที่อัลลอฮฺสั่งนะ เราก็เก็บสุนัขก็พยายามทําทําสม่ำเสมอข้อที่สามเชื่อฟังสามีเชื่อฟังสามีนะครับการเชื่อฟังสามีนี้ปัญหาไม่เกิดไม่มีปัญหาเลยนะครับสามีก็หกเชื่อฉันเชื่อเชื่อเชื่อจบเลยไปนอกไม่มีปัญหาถ้าสามีเล่าอีกคนหนึ่งเล่าไปเชื่อคนอื่นต้องทะเลาะกับสามีทุนดีตรงไหนเชื่อสามีดีกว่าจบ ข้อที่สีพี่น้องรักษาอวัยวะเพศให้ดีนะครับนี่งมีอยู่สีข้อเนี่ยท่านนาบีพูดเองนะสี่ข้อนี่นะกระทั่งสี่ข้อตรงนี้แต่หาภรรยาคนใดรักษาดูแลให้ดีดับลันนะตดมินออบบิจันนิชาอนี่เป็นภาษาของนบีผมถ่ายทอดมานะครับ นบีบอกว่านางเลือกเข้าประตูสวรรค์บานไหนก็ได้มีทั้งหมดอยู่แปช่อ ง, องด้วยกันเลือกเข้าทำดีเลยพี่น้องพี่น้องนี่แหละอิสลามอิสลามนี่เป็นของดีทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นขอบคุณนอร์นะที่เป็นภรรยาที่ดีของสามีเสร็จแล้วมีโอกาสได้มาทบทวนอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลละ ไปท้องการทบทวนอัลกุรอานนี่มันเรื่องใหญ่นะพี่น้องยิ่งเรานั่งทบทวนกุรอานแล้วก็รู้ความหมายของอัลกุรอานอล่ อ, ล อ, น, อ, ลอนมีประโยชน์มากเลยนะครับท่านคนที่ท่องจำกุรอานสุร้อนนี้แล้วนี่พี่น้องครับอ ล, ล่อนแล้วมาอ่านคําแปลมันคาอธิบายมันนี่พี่น้องก็จะเพิ่มอิมานนะครับเอาต่อมาอายาที่ที่หกนี่นะวาลิเลดีนกับฟารูบีรับ b i h m عذاب جهنم وبيئس المصير وللذين كفروا بربهم عذاب ج م ل ج م ص ي ر و เราเนี่ยมันจะพูดปฏิเสธนะเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่คนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกว่าคนปฏิเสธคนกาเฟรคนที่ปฏิเสธเนี่ยมาถึงปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธมลอะห์ปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธคำพีที่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดปฏิเสธวันสิ้นโลกปฏิเสธบรรดารอซูลที่อัลลอฮ์ส่งมาทํางานศาสนา แล้วก็ปฏิเสธเรื่องกฎตอกัดกฎสภาวะวันนี้มีคนฟังแค่นี้เนี่ยไม่ใช่บังเอิญนะวันไหนมีมากก็มาใช้บังเอิญอัลลอฮ์กำหนดนะพี่น้องนี่เป็นข้อกําหนดของอัลลอฮ์ทั้งหมดมุสลิมมุสลิมต้องเชื่อแบบนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญไม่มีอะไรบังเอิญสาหรับมุสลิมถูกอัลลอฮ์กำหนดหมดแล้วทั้งหลายบางคนอยู่ สบายอัลลอฮ์ให้บางคนก็อยู่ค่อนข้างจะลําบากอัลลอฮ์ทดสอบตอนอยู่สบาย All อ, อยัลลอฮ์ทดสอบว่าตอนอยู่สบายนะขอบคุณอัลลอฮ์ไหยตอนอยู่ลําบากเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็อดทนไหมไม่มีสองอย่างนะถ้าลําบากอดทนถ้าสบายขอบคุณมีสองอย่างพือน้องชุกฤษขอบคุณสปาร์ตอดทนสองรายการนี้ เป็นขอ้อเป็นข้อใหญ่ๆของอีมานอ่าอิมานมีทั้งหมด70กว่าสาขานะไม่ใช่6กสาขาที่เล่าเม well ื่อกี้นี่นะอามันตุบิลลาห์มาลาอิกาติฮีวกุตูบิฮีวรุซูลิฮีวัลยายุมิลอาครวะบิลกอดดิขอยลิฮีวเชอริฮีมีดัลลอฮ์ต้าลาไอ้6ข้อนีนนะอันนี้คือแบบเป็น principle เป็นขั้นพื้นฐาน สาขาของอีหมานมีทั้งหมดเจ็สิบดีกว่าสาขานะครับนอกจากหกสาขาคนนี้ออดทนอลัลลอฮฺและ้วนะัขอบคุณอลัลลอฮฺดีหมดเลยสแสวงหาวิชาความรู้ออกจากบ้านมาสแสวงหาวิชาความรู้นี่เป็นอีหมานข้อหนึ่งพี่น้องการบริจาคเป็นอีหมานอีกข้อหนึ่งการให้อภัยเป็นอีหมานอีกข้อหนึ่ง การสงสารเมตตาคนอัลลอฮ์เป็นอิม่าฮีข้อหนึ่งท่านอิหม่าฮีทับบท้งหมดเจ็สิบสทีนี้คนที่ปฏิเสธวันละดีนากาฟารูสำหรับผู้ที่ปฏิเสธนี่พีน่น้องนี่ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธมลออิกะปฏิเสธนบีปฏิเสธคําีที่มาจากอัลลอฮ์ปฏิเสธไม่เชื่อวันสิ้นโลกและปฏิเสธเรื่องกฎกอกฎาที่ว่ากฎแห่งสภาวะนั้นเป็นยังไงครับ พี่น้องคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์คนที่ไม่เอ า, าศาสนาบนโลกนี้อัลลอ์ให้ให้รวยส่วนใหญ่ให้รวยนะแล้วก็ให้อยู่สบายสบายอ่านะคะัมพี่คุณอ่านอธิบายอย่างนี้นะผมอ่านแล้วผมก็งงนะอัลลอ์บอกว่าถ้าหากฉันไม่กลัวคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะเลิกเป็นมุสลิมที่กลัวนะกลัวจะเลิกทิ้นอิสลาม ถ้าฉันไม่กลัวคนที่เป็นมุสลิมไม่ทิ้งอิสลามเลยนะฉันจะให้บ้านคนกาเฟตเนี่ยหลังคาทำด้วยทองคำและบันไดทำด้วยทองคำยังในคัมภีระอื่นอายะอื่นนะคุณน้องเดี๋ยว อ, อันไปจะเจอนะกัรอานทั้งเล่มเดี๋ยวจะมีมีอยู่สองสามอายะอธิบายถ้าฉันไม่กลัวว่าผู้ศรัทธาเนี่ยจะออกห่างจะทิ้งอิสลาม นะครับไปเป็นคนกาฟเฟดีกว่าเพราะมันอยู่แล้วมันสบายบ้านก็หลังคาเป็นทองคาบันไดหลังคาเป็นเป็นทองคำไอ้ น, นี่ก็ทําครา ม, า, มาที่อยู่สบายแจะรวยเลยปัญหาไม่มีมีแต่ความ ส, ส, สุขสุขสุขสุขอย่างเดียวจะสุขกี่วันสุขจนกว่าจะตายพอตายแล้วจบจตายแลจบแต่ที่อัลลอฮฺไม่ทําแบบนั้นน่ะกลัวว่ามุสลิม คนที่ออดแอร์อีมานไปเห็นบ้านคนที่ไม่เอ า, าศาสนาเขาทำไมเอลาลอให้เขามีความสุขถึงขนาดนี้เละดูสิบ้านใหยายใยา ย, า ย, า ย, าย่ยยญยใหญ่ใหญ่พี่น้องผมขอยกตัวอย่างฟาโร่เฟิร์อุลเคยได้ยิใช่ไหมฟาโร่รวยหรือจนรวยมีปราสาทรู้ป่ามีคนรับใช้ เฉพาะดูแลครอบครัวฟาโร่ครอบครัวเดียวสามหมื่นห้าพันคนก็ดูแลคนครอบครัวเดียวนะ่ยจัดนู่นจัดนี่ทำนูน่ทนทำนี่รีดเสื้อรีดผ้าล้างลุงล้างสามหมื่นห้าพันคนดูแลคนครอบครัวเดียวคือกษัตริย์ฟาโร่แล้วเป็นไงพี่น้องคนสุดท้ายนะเานี่ยอัลลอฮ์ลงโทษ ให้จบน้าาําตายแตว่าตาแล้วสบายถ้าไปสวรรค์จะไปนรกไปนรกครับวันนี้วิญญาณอยู่ในานารกแต่ร่างของฟาโรนั้นอัลลอฮ์ไม่ให้เน่าที่อัลลอฮ์ไม่ให้เน่าเพราะอัลลอฮ์บอสันตภีกรอหันบอกว่าอัลยาุมานุนจีกับบีบาดาเนก์วันนี้เรารักษาเพียงแต่ร่างของฟาโรไม่ให้เน่าเท่านั้นเพื่ออะไรเพื่อให้เป็น ูทาอเป็นข้อเตือนใจสำหรับคนที่ไม่เอาศาสนานไปดูฟาลูกอยู่ยังไงศพไม่เนา่าพี่น้องนั่นคนที่เป็นมุสลิมพี่น้องพออ่า น, นก็องอ่านต้นองนึกเราเนี่นะถูทดสอบจากอัลลอ์ให้มีทั้งลำบากแล้วก็สบายคอลำบากให้ทำไรให้อดทนให้ท่าสบายให้ทำงให้ชุกดขอบคุณอัลลอ์ ท่านไม่มีใครในโลกนี้ที่สบายตลอดมีไหมไม่มีไม่มีกษัตริย์องค์ไหนด้วยที่อยู่ตลอดสบายตลอดน่ะเด็มไป่ายัวหเดือดตัวร้อนเมียดาลูกดาษสารพัดเหมือนกับเรานี่แหละใช่ไหมอ่ะจากิพี่น้องก็ทะเลาะกันอะไรกันใช่ไหมเมือนท่านอยู่ตรงไหนก็เหมือนกันหมดคือคนเราตั้งอาณาจักมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ต้องการจะ บอกให้พี่น้องเข้าใจว่าวัน ล, ลดีนะครบฟารูสำหรับคนที่ไม่เอาอิสลามคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์คนที่ไม่เอารอซูนคนที่ไม่เดินตามอัลอัลกุรอานพี่น้องคุณอ่านเล่ม น, นี้นะที่จะเพ ร, ราะโซโลเดียวนะพี่น้องโลกใบนี้อวันอาคิรอฟวันกิยามะชีวิตในสุสานเดินตามอัลกุรอานทั้งหมดพวกอ่านที่เราอ่านอยู่นี่พี่น้องครับถ้ารกครับหมายหมดดีละโลกใบนี้ คนที่อยู่บนโลกใบนี้เดินตามอรรัลกุรอานโลกใบนี้เดินตามคุรานนะครับจะคุรานอธิบายไว้แล้วก็เรื่องจริงทั้งหมดเอาอายานี้วัลลาีนะครับฟาบรรดาผู้ที่ปฏเปิฏเสธปฏิเสธใครครับบีรอป บ, บีหิมผู้อาภิบาลของเขาคือปฏิเสธอัลลอฮ์านะครับพี่น้องเขาจะได้อะไร อาจาบูจหาหันนำการลงโทษที่ไหนครับทิดไปนรกล้มหรื อ, อยังวันนี้ยังไม่ได้ล้มรอเล่าให้ฟังครา้งหน้าอีกเจอแน่เลาให้ฟังก่อนเรากลัวไหมเรากลัวเนี่ยเรากลัวไปนรกเน่ยเราไม่อยากเข้าหรอกแต่ท่านคนที่ไม่อยากจะไปนรกทําไงครับถ้ามีอะไรผิดวันนี้ต้องทําไงต่อไป ตกลงขะโทษตกเสียใจกลับเนื้อกลับตัวซะโอ้ผิดมาสิบครั้งแล้วอะตาบ้าไหวตาบ้าอีกบางคนตาบ้าเช้าเ ย, ยนา็นทำอีกมีไ้มนี่อะทำไงอ่ะเปตาบ้าอีกเปิดตาบ้าแล้วก็ตายกลาคืนอ่าโอ้ฉันเจอตาบ้าตอนมังกริบตอนสีทุกตามันก็ยังดีจะมีโอกาสที่อัสลอฮฺจรุลหล่อวะอตูบอีกแล้ว น้องต้องตบบ้าตัวตอบร้อนแต่ที่คนกาฟเฟสในกรังเทพไม่มีโอกาสได้ตอบบ้าตัวตอบร้อนรู้ไหมที่อัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษคนกาเฟสเนี่ยเพราะอะไรอยู่น้องอัลลอฮ์เมตาอัลลอฮ์ให้สองอย่างอย่างที่หนึ่งให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็ตอบบ้าที่อัลลอฮ์ยังยังไม่ลงโทษนคนไม่เอ า, าศาสนาบนโลกในเมืองไทยนี่เต็มไปหมดเลยนะประมาณ80สบปอร์ซไม่เอ า, าศาสนา พี่น้องมันรู้จักอลร้าวด้วยมันรู้จักรอซูนด้วยมันรู้จักกูโบโ ด, ด้วยพี่น้องเพราะฉะนั้นที่อลร้าวไม่ลงโทษเราอรร้าวต้องการจะให้คนเหล่านี้เนี่ยหันมาเรียนรู้เรื่องศาสนาผ่านพวกเรานี่มุสลกมากแต่งกายแบบนี้เดินในตลาดที่จะการดาว่าไปนในตัวเลยนะแล้วมีทีวีอยู่สี่ช่องเนี่ยอลร้าวให้แล้วนะแกดเวโมดเดี๋ยวก็เจอเจอนน ศาสนาใส่หมวกแก๊กนัก บ, บ, บิดดูละครดีกว่าอยู่ที่มือตัวเองนั่นแหละอัลลอฮ์ให้แล้ ว, ลวอ่ะเห็น ไ, ไหมจะไม่อยู่ไม่ยอมอยู่กนรีโมดอย่างเดียวฟังเพลงดีกว่าเล่นดิสโก้ดีกว่าฟังละครดีกว่าก็เชิญอัลลอฮ์ให้แล้วอ่ะทำไมไมาช้ปอย่างข้อที่สองถ้าหาว่าเขาเอัลลอฮ์ให้โอกาสแบบนี้พี่น้องถ้าไม่เตา่าบา ต, ตัวต่ออัลลอฮ์ไม่หันมาศึกษาอิสลาม เท่ากับเขานะ่าอยู่ไปก็สะสมความชั่วไปทุกวันทุวันไม่ใช่ว่าอัลลอฮฺะจะให้เขาสุขไม่ใช่เขาจะเดินลงไปน้องยิ่งเดินยิ่งตามลงตามลงตามเขาเรียกว่าอิสติสิดรอชคนที่อยู่บนดุนยานี้อัลลอฮฺให้ก็มีความสุขมีบ้านใหญ่ๆมีคนงานมีตําแหน่งการงานมีเงินมีทองเยอะๆมีลูกนอก้องเป็นร้อยรอย้รอพันพน เด็กฟาโรมีถู้ลูกน้องเท่าไรสามหม0่นห้าพันคนใ น, นองคอยบริหารจัดการดูแลที่ไหนได้เดินเดินเดินสู่ความหา ย, ยานะแต่คนมุมินเนี่ยเดินขึ้นอยู่ไปเล้ายิ่งแก่อายุห้ิบเออไม่เอาแล้วหวยไม่ซื้อแล้วนินทาไม่เอาแล้วบาปไม่เอาแล้วทะเลาะ ก, กันไม่เอาแล้วเลิกแล้วเ้าก็ต่อปลาตัวเราก็สูงขึ้น ขอบคุณอัลลอฮ์สุขานุษย์พี่น้องครับเพราะฉะนั้นคนที่อัลลอฮ์ยังไม่ให้ตายวันนี้จะเป็นใครก็ตามถ้าเป็นมุสลิมถ้ารู้ตัวว่าเราทําผิดทําไงสารภาพผิดกับอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์ชอบคนที่สารภาพผิดนะอัลลอฮ์จะตัดตัวอัลลอฮ์สารภาพผิดกับอัลลอฮ์พี่น้องแล้วก็นามายาคาพี่น้องแล้วก็คบกับคนดีๆ นี่พี่น้องมีโอกาสจะมาฟังศาสนานี่แหละพือน้องจะมีโอกาสได้พบกับคนดีๆนะครับวันลาีวันิลาวีนกักบารูบิโร บ, บิห์และบรรดาและสําหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธถ้าผู้อภิบาลของเขาอาญาบูจาห์นำการลงโทษในนรกเขาจะได้รับการลงโทษในนรก วัดสัลมาซีในนรกจะเป็นยังไงเป็นที่พักหรือเป็นที่กลับนะเป็นบ้านปลายที่ไรนะที่ชั่วชาที่เลวนี่พี่น้องครับคําว่าจะหันนำนี่นะเป็นนรกสําหรับคนมุสลิมเป็นนรกสําหรับคนมุสลิม คนแขกนี่แหละเป็น้องเรานีแหละทำไมอลัลลอ์ได้พูดเรื่องจะหันนำจะหันนำว่าอาลัลลอฮ์เตียม ว, ว่าสําหรับคนมุสลิมคนมุสลิมที่ทําผิดแล้วไม่ทันเตาบาตัวมีไหมมีเยอะเช่นเช่นยกตัวอย่างว่าจะไปทําฮัตปีหน้านะเดี๋ยวนี้ขอมีสตังแล้วมันจะไปได้เลยนะฮั ต, ตรงนต้องรออะไรโกรตาใช่หรือไม่ใช่ใชอ่า ขนาดมีเงินแล้วนะแสนแปดสองแสนจะไปทำพัดไปไม่ได้รอก่อนบางคนเหนี่ยตัวจะไปปีหน้าหาเจ็ดห้าแปดนี่แหละกล่าวว่าไปทำอุญไปทำพิยีไปตบบ้าตัวที่มักกะคนที่คิดแบบนี้นะคิดผิดนะจะไปกับตัวที่มักกะช่วงนี้ขอทำชั่วไปเรื่อย จนกว่าจะได้ไปประกอบพิธีฮัตขึ้นเครื่องบินก็ยังไม่เตาบ้าตัวนะนน่นไปเตาบ้าตัวเมื่อเห็นใบตุลล็อกน่ะเป็นต้องคิดใหม่นะคิดผิดทั้งหมดนั่นแหละเอ้าท่านนั่งถึงบินไปแล้วเกิดเครืงบินมันตกสายก่อนเตาบ้าตัวยังยังเพราเป็นเน็ตเตาบ้าตัวที่มาเกะอบที่ใบตุลล็อกขาดตุลน้ำไรขาดทุนฉะนั้น ถ้ารู้ว่าจะไปทําพัดปีหน้าวันนี้ตบมาตัวเล ย, ยแล้วก็ท่านขอตบมาตัวนะอย่ารอพี่น้องเพราะความตายเนี่ยมาไม่เคยอนุญาตเปล่ามาเคาะประตูก่อนเปล่าส่งส่งลน์มาเปาล่าอัลลอฮ์ส่งไาย์จะอีกอีกอีกสามวันที่จะเอาวิญญาณคุณส่งเปล่าไม่ zoom ฉะนั้นอย่าไปทำอย่าไปเดินตามอารมณ์พี่น้องเดินตามคำสั่งอัลลอฮฺ سبحانه และก็ เตาบลาตัวซ้าจุนองเป็นคนดีซะถ้าหากว่าเราตั้งใจจะไปทำฮัะดีปีหน้าอย่าไปรอกับตัวทีหน้าไปตุลรอให้กลับตัวตั้งแต่วันนี้เลยและอินชาอัลลอฮ์จุนองเมื่อนกันแหละจุนองจุนองที่ขึ้นมานมาดห้าเวลาเนี่ยบางคนเข้ามอสยิดวิ่งต่อเนื่องมาถึงอัลลอฮฺอัลบาดีมามรุ่งขวบพอดี คูชวยตรงไหนวิ่งมาจากบ้านนะจะเข้ามาสัสยิดนะนะและคนแก่ๆอย่างเราเนี่ยวิ่งแค่รอห้านาทีนี่ก็จะตายอยแูแล้วมายืนตะบีดรอพระบาทถามว่าคูช่วยตรงไหนไม่มีคู่ช่วยเลยพีน่น้องแต่ด้านเป้าหมายของนามาถือคูช่วยเพราะฉะนั้นค่อยๆเดินมามัสยิดค่อยเดินม า, มาดเดินมาเดินม า, นมาถึงว่าเนี่ยให้นามาสุนทรกรสองรากอาัดเพราะอะไร ถ้าหากใจเรามันฟุ้งซ่านคิดอะไรๆเยอะพระน้ามารสองเราอ่านแล้วนําใจมันก็จะสงบแล้วเราก็นั่งรอห้านาทีจะน้ำมารซูกรี่ยกตัวอย่ใหญ อ, อหายเหนื่อยทำอย่างนี้จะออจะขี่น้ำมารสุนทรใจมันร้อนหะน้ดูเลยเอานา้ำมารซูกรีก่ธ่รมะดพรดูทําให้มันมั่นคงให้มันแน่วแน่ต่ออัลลอฮ์ก็สุบฮานุอัลละต้องนึกตลอดเวลาไม่มีใครมาดูแลเราเป็น้องเราต้องดูแลตัวเลย ท่านฟังศาสนาเยอะๆนะดีไหมดีดเพื่อให้เราได้เข้าใกล้อวบแบบสนิทในใจพี่น้องพี่น้องครับในนรกเนี่ยมีทั้งหมดกี่กี่กี่ขุมนะเจ็ดขุมไอ้บอกไปแล้วเล่าใหมา่ทีนู้นแล้วคนแก่ลืมง่ายเนืองจะหันน้ำยะหันนำ้นนำเนี่ยอวบเก็บไว้สำหรับมุสลิมที่ทำบาปแล้วไม่ทันตอบบาตัวต่วออวบ นี่เป็นน้องคนที่ดูแลนบีม oh ุฮัมมัดว่าไม่เชื่ออะไรอบรูระอบูตอลลุงนบีไม่ทรบาบวิสระเพราะว่าเป็นห่วงเป็นห่วงยะแล้วก็ดูแลปกป้องนบีนะใครจะมาทำร้ายนาบีก็บอกอย่ายุ่งนี่หลานฉันทีนี้ที่เขาไปปกป้องดูแลนบีในฐานะอะไรในฐานะเปบลล่า ไม่ได้ดูแลปกป้องมูฮัมหมัดในฐานะเป็นรอซูนของอัลลอฮ์ต่างกันใช่ไหมอบูตอเลบเข้าไปดูแลมูฮัมหมัดในฐานะเป็นเป็นหลานเป็นลูกของพี่ชายตะกูฉันไทมายุ่งไม่ได้ไทม์แตะไม่ได้แต่ไม่นจะดูแลนบีปปมูฮัมหมัดในฐานะเป็นเบาเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ไม่ได้นึกตรงนั้นเลย เพรานั้นวันนี้เรานึกถึงนบีมูฮัมหมัดเนี่ยในฐานะเป็นอะไรเป็นรซูลของอัลลอฮ์เราก็ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์ผ่านนบีมูฮัมหมัดสุลต่านพี่น้องงานที่อัลลอฮ์ส่งส่งส่งพอใจและรับเนี่ยนะพี่น้องอยากให้อัลลอฮ์รับงานเราทุกรายการไหมอยากไหมอยากให้อัลลอฮ์รับทุกรายการเลยนะ ไม่ว่าจะกินข้าวอาลัลลอฮ์ก็ให้มีรางวัลอยากไหมอยากนอนก็ให้มีรางวัลมานั่งฟังาศาสนาก็ให้มีรางวัลจะนั่งคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็ให้มีรางวัลจะอยู่กับสามีก็มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทำไงไปก็ให้ทำสามข้อจะให้อลัลลอฮ์พอใจเราให้รางวัลเราเป็น้อง ทำสามข้อนี้เลยไปน้อ ง, องข้อที่หนึ่งหัวใจของเราที่ทำนั้นอ่ะทำด้วยแรงศรัทธาอย่างไปหามะไปหาคุณพ่อคุณแม่อยู่ห่างกันขับรถไปประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยนั่งรถออกจากบ้านขับรถไปจะไปหาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเนีดอะไรครับอ่ามานูเนีย อีมานเอัลลอฮ์เพราะอัลลอ์สั่งในคัมภีร์โบราณให้ลูกนั้นทำดีกับพ่อแม่เราไปในานามของอัลลอฮ์สุฮานนี่ทำด้วยแรงะลรนะแรงอีมานเรื่องใหญ่มากครับพี่น้องนี่แรกแรงแรง อ, อันที่หนึ่งนะต่อมาข้อที่สองทำแล้วไปหาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเพื่อหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์ ไม่ได้นึกนะนึกว่าแม่มะยังไม่ได้แบ่งมรดกถ้า น, นึกแบบนี้นะจบนะมะมีที่ตั้งร้อยไร่นะ่ะลูกมีอยู่สามคนเราเป็นลูกที่เกลนิดๆงั <c> ้น <oughs> ยังไงมะคงให้ไม่เท่ากันแน่างานนี้แหละไอเนียดไปน่ะอะไรหวังมรดกอย่าเป็นนึกตรงนั้นไปน้องหวังอะไรหวังรางวัลตอบแทนจาก อ, าอัลลอฮฺ ข้อที่1ทำด้วยแรงศรัทธาตามที่อัลลอ์สั่งในัีกุรอานว่ก็รอรับบุกอัลลาตากูดูอิลลาฮียะปริบัติดีกับพ่อแม่หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์สุภาโนวตอัลละข้อที่สามพี่น้องทำตรงกับพี่ท่าน น, าบนับดุมฮัมมัดสอนตรงกับท่านนับีุมฮัมมัดสอนอับีสอนว่ายังไงเวลาไปหาพ่อแม่เนี่ยให้เกียรติพ่อแม่ ไปหอมพ่อแม่อย่าลืมว่านาบีนะหอมนะหอมมะตังนะแล้วก็ น, นบีก็มะไม่มีอายุเท่าไลายกันนบนีคุณแม่เสียชีวิตคุณพ่อเสียชีวิตมันเกิไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ทาําไงไปน้องญาติเป็ น, น้องของนบีนบีก็ถือเป็นพ่อแม่คนหนึ่งเหมือนับนบีจะยืนให้เกียร์แล้วก็นบีมีแม่นมคนที่ให้นมนบีนะนบีถือเป็นแม่คนหนึ่งเหมือนกันเป็นแม่นมใช่ไหม มีอยู่วันนึงแม่น ม, มาหาท่านนาบีพอมาหาเสร็จแล้วก็เป็นผู้หญิงที่อายุเยอะหน่อยนะนบีเอาผ้าผ้าซาลาบันของท่านนาบีปนะูบอกว่าเอ้าอ้าท่านมานั่งตรงนี้ซอบ้านนบีเห็นก็งงทําไมนบีบริการดูแลคุณยายคนนี้แบบดีมากเลยแล้วก็นั่งคุยแบบนอบน้อมทงคน แล้วก็ยิ้มเก่งพ่อฟี่กูนี่กลับไปมีคนมาถามว่าท่านใครแม่นมผมเองแม่นมฉันเอ้ย ไ, ไหมนั่นน่ะแม่นมนะไม่ใช่แม่จริงๆนะเลี้ยงให้นบีจะ ด, ดูดนมถ้าเกินห้าครั้งเน่ยกินอิ่มนมนะกินอิ่มหนึ่งอิ่มหนึ่งห้าอิ่มนี่เป็นน้องเป็นแม่นมแล้วเนี่ยนบีให้เกียรติ ยกย่องกับแม่แม่นมเราเองก็เหมือนกันเราเป็นนั่งอยู่กับมะเราถืนองเราต้องให้เกียรติให้เกียรติแบบดีๆเป็นน้องนึกถึงว่านาบีมอมหัดให้เกียรติกับญาติพี่น้องของนบีอย่างไรเราก็ให้เกียรติกับมะเราแบบนี้ถ้าทำสามรายการนี้นี่แหละเรื่องอะไรนะอัลลอฮ์พอใจอเดี๋ยวกลับไปดูลูกอีกกลับไปถึงบ้านมีลูกเปหลานมาเยี่ยมที่บ้านเต็มไปหมดก็ทำสามรายการนี่แหละหนึ่งอะไรนะ ทำด้วยแรงอิมานศรัท ธ, ธาต่ออัลลอฮ์สองทำแล้วหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์อันที่สามทำเหมือนท่านนาบีมูฮัมมัดดูแลลูกหลานยังไงนบีจะกอดลูกนบีจะกอดหลานใช่ไหมนบีจะหอมแก้มระบุจีก็ให้ลูกให้หลานมานะหอมมาผกากนบีหอมแก้มนบีนบีกอดพี่น้องพยายามทําอะไรก็ตามทําให้เหมือนท่านนาบีนะครับแล้วก็ทํา หวังรางวัลตอบแทนจาก Allah ทำด้วยแรงศรัทธาสามข้อนี้พี่น้องจะทำอะไรก็ทำมีรางวัลตอบแทนจาก Allah ตอลอดเลยนะครับอาจารย์ที่ผมเล่าว่านารกมีตัวโบกีกี่ขุมนะเจ็ดขุมขุมที่หนึ่งเรียกว่าจะหันนำใส่ไขแต่คุนแขกแล้วคิดทำอะไรผิดอินลอรดันทุรัง ตับมันกันสร้อมกกกนเพื่ออะไรโรดทำไมรีบเจ้าบ้าตัวไปซะเีนี้สาหรับขุมที่สองเนี่ยตอม่าโฮตอม่านี่พวกคริสเตียนที่ไม่เอานบีอิสาเอลฮิสซลามคือนบีอสานี่มาเป็นนบีอย่างเดียวนะตัวนี้ประกาศนบีอีสาคันใช่หรือไม่ใช่ประกาศผิดไหมผิด อัลลอ์สั่งนบีส่งนบีอิามาเหมือนอัลลอ์ส่งนบีมุฮัมมัดมาเนี่ยเราเนี่ยกราบนบีหมดปล่าเขาไม่ได้กราบาจะทำามว่านบีทำยังไงนบีดื่มน้ำยังไงนบีนอนยังไงใช่ไหมวันนี้เวลาที่นองครับเราจะไปฟังศาสนานะหรือว่าไปหาตัวอิมามอิมามจ๋สอนเรื่องอาบน้ำน้ำมาดตามนบีให้ฉันให้ฉันดูหน่อยตามนบีนะ ไอ้ตาลโตครูฉันฟังมาเยอะแล้วเบื่อแล้วไม่เอาเอาตามนาบีนะ่ะทีม่มางก็ต้องคิดเฮ้ยทำนบีหรอคูเดียวมีนีเทกันด้วยนั่นต้องตามนาบีอย่างเดียวยังอื่นอย่าไปตามแล้วนกะ็เพราะนบีมาอยู่กระดาษทีปีเป่น้องยี่สบสาปีสอนครบอย่างครบแล้วก่อนนบีจะเสียชีวิตนบีอัลลอฮฺประทานอัลกุรอาน ล, ลงมาอัลเลามาอักมันตุลละกุมวันนี้ ศาสนาที่ส่งมาให้ท่านนะครบแล้วนะว่าอัจฉรมตัวอะไรกุม่มสมบูรณ์แล้วนะฉันวระารดี้ตัฉัน้นพึงพอใจแล้วให้อิสลามนะั้นเป็นทางนาสำหรับพวกท่านของนบีนำมานะแล้วแน่ไม่ต้องอาศัยคนอื่นแค่นั้นเวลาถามใครท่องต้องเอาความรู้ผ่านนาบีที่นบีทํานะมาสอน คิดมาก็จะได้ค้นคว้ามาเองไปนองไปศึกษาหาความราู้มาทีนี้พวกพี่น้องชาวคริสเตียนเราเนี่ยมีนรกชืกหาหา่อโหดออกมาและพี่ชองชาวยิวก็เหมือนกันที่ทําอะไรผิดไม่เหมือนกับ น, นบีมูซาอะไรอิสลามมีนรกชื่อว่าลาซอลถูกไหมถูกแล้วก็มีนรกอีกกลุ่ลมนา ห, าหนึ่งที่พวกมาดูซี่พวกบูชาไฟพี่น้องนั่นแหละอัลลอฮ์โกรธ และอีกกลุ่มหนึ่งพวกซอบีนะครับชื่อว่าสกอตแล้วก็ไโรคอีกขุมหนึ่งขุมที่หเรียกว่ายะฮิมสำหรับคนมุสลิมคนมุสลิมก็คือคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นับถืออัลลอฮ์ด้วยนับถือสิ่งอื่นคู่กับอ AH, ัลลอฮ์เช่นเป็นน้องมุสลิมเราเนะี่ยอยู่ในกรทมเนี่นะรับ AH, อัลลอฮ์ขอถูกอัลลอฮ์บาที่อัลลอฮ์ให้ช่างเพราะการขอดุอาอ์เนี่ยเป็นน้องมันะอัลลอฮ์ให้เลยทุกคนนะ มีอยู่ห้ารายการการขอดูอาทุกคนอัลลอ์ให้ห้ารายการหนึ่งขอแล้วได้เลยแต่ไม่ใช่ทุกคนไปขอเช้าเย็นได้มีไหมมีผมเห็นผมเนี่ยผมรู้เลยอัลลอ์ Allah ให้แล้วขอตอนเย็นถ่อเช้าได้บา่ที่ขอตอนเช้าปุ่มที่เช้าได้ผมสังเกตอัลลอ์ให้นะข้อที่สองขอแล้วได้ใช้ อ, อ, ยอย่างผู้หญิงคนหนึงหรือผู้ชายคนนึงอยากเอาลอชันต้องการอยากได้สามีดีๆขอกี่ปีกว่าจะได้บางคนถึงสิบปีนะลังนมาอยากรอรอใจอยากได้สามีดีร้างครัไปเินต่อว่ามากลา ก, ก่อนเดินแล้วเดินอีกอยากร อ, อสปิปีกว่าจะได้มีมั้มมีครับ นั่นขอแล้วได้เลยขอแล้วได้ชาพี่รอ้องข้อที่สามขออย่างหนึ่งอัลลอฮ์ให้อีกอย่างหนึ่งอ้าวก็อยากขออยากก็ได้ลูกผู้ชายอัลลอฮ์ให้ลูกผู้หญิงมีไหมมีมมครับข้อที่สี่ขอแล้วไม่ได้ไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ให้แต่บาละไม่มีการทดสอบจากอัลลอฮ์ไม่มีดีไหม ขุมมาดีขอขอขอข อ, ขอให้รวยยุตอ ย, ยายาวอให้ฉันรวยจะรวยเถอะแต่บริาาจาคแต่จ่ายจะกรุศกดอัลลอ์ไม่ให้แต่ในช่วงที่ขอ5ปี10ปีเนี่ยไม่ป่วยเลยดีป่ะไม่ป่วยนี่ทหาว่าขอแล้วอัลลอฮ์ให้และอัลลอ์ติดติดบละมาด้วยติดไตนวลมานิดนึงเราไม่รู้ไงเช่นย อ, อยากรอฉันอยากได้ อยากได้อยากเกษตรเงินเยอะๆอยาซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินใช่ไัมเอาละก็ได้รถมาคันหนึ่งขับไปมาไปเก่งเท่าไรเราฝูอยากได้รถที่ไหนได้ขับไปกลับไปแต่สามปีรถไปชนกันไม่ตายก็ขาหักเอาไหมถ้าขอทําไมล่ะอยากรวยอยากรวยอยากรวยนี่ไงก็ต้องนึกอ่ะนขอให้รวยแลต่ Allah ไม่ให้รวยแต่ a ล l a h ไม่ให้มีบาละเข้ามาอัลลอฮ์ต้องขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้แต่เราจะรู้ตัวงข้อที่ห้าขอแล้วบนดุนยานี้ไม่ได้เลยแต่อัลลอฮ์ไปให้หลังตายเอาถามท่านพี่น้องว่าได้บนดุนยานี้ก็ได้หลังตายเอาอันไหนว่าหลังตายดีกว่านะเพราะอยู่บนดุนยานี้ยวันนามีปัญหาคนช่วยเยอะนะอั ล, ลีก็ช่วยใช่ไหม นี่ไงที่ามเล้าเนี่ยมามโรงเรียก็ช่วยอมัดน า, นานาก็ช่วยบรรลุนิสสมาชิกอยู่ตรงนี้มาประชุมเนี่ยไม่สบาก็ช่วยกันนี่ไหมแต่ถ้าไปนอนในกูโบ่ถูกอลัลลอฮ์เล่นงานงูเห่ากัดใครช่วยนี่ไงคือนองจากนั้นขอแล้วบนบญญาเนี่ยอลัลลอฮ์ไม่ให้น่ะแต่อลัลลอฮ์ไปให้ดู น, นะในในกูโบ่เออเอาดูดิเวลามีการทรมานฝังศกขึ้นมาถูกลงโทษอลัลลอฮ์เนี่ยอุปอาชสุรนี้ก็ช่วยได้ อุทิของลูกเราก็ช่วยได้ที่เราขอขอแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้บัจจุบันยาให้วันนี้ที่กูโบเพระนการขออุทิศอัลลอฮ์ให้ห้าอะไรหนึ่งในห้าต้องต้องต้องเจอแน่ๆพี่น้องเรื่องไม่ให้เนี่ยไม่มีแต่ที่เ้าอย่าลืมนะการขออุทิศทุกครั้งต้องมีอย่างนี้เสื้อผ้าที่ที่ใส่เนี่ยต้องได้มาจากเงินที่ฮานาอย่าลืมนะ เสื้อผ้าที่ท่านคุณน้องสวมใส่ยอยู่ต้องได้มาจากเงินที่ฮัลาลสองริสกีที่เราบริบริโภคเนี่ยนะอาหารการกินอาหารที่อยู่ในครัวอาหารตามตลาดที่เราซื้ อ, อมาเนี่ยเป็นหลักครับต้องเลือกอาหารที่ฮัลานแล้วก็เงินที่ฮัลานด้วยเรื่องใหญ่มากครับฉะนั้นเสื้อผ้าฮัลานอาหารการกินฮัลลาลคุณน้อง แล้ตัวเราก็ต้องฮาลานอย่าทำบาปเยอะไปน้องถ้าหากมีของสกปรกเต็มไปหมดเสื้อผ้าก่อคารมอาหารก่อคารมหวยก่อซื้อแล้วซื้ออีกอีกโลวังจะถูกสักทีจะซื้อทําไมเหรหวยน่ะก็พ่อมา่ก่อนไม่รู้อ่ะนึกว่าหวยฮาลานพรรัฐบาลประกาศของรัฐบาลประกาศของฮาลามไปเยอะไปใช่หรืไม่ใช่ยังกเบียเนี่ยฮาลามหรือฮาลันอะไร เอ็มไปหมรัฐาบาลประกาศส่งเสริมให้ทำของฮารอมทัมง้งมจากมุสลิมทำไม่ได้ไปเจอร้านหล่อร้านอาหา ร, น, หรนั่นฮารอมตรงนั้นน่ะแต่ลิมทานได้ไหมไม่ได้ต้องมองต้องมองตัวเอ ง, องต้องมีาศาสนากำกับชีวิตเราเอาต่อมาครับพี่น้องคนมุสลิมเนี่ยไปเรียกร้องไปขอสิ่งอื่นคู่กับยังพี่น้องเป็นมุสลิมเนี่ยมีอะไมีปัญหาไปตัวตะเกียร์ละ ครับพระทเจ้าจะเกียยแต่ไปเลยชาหนุ่นชานี่เดินตะ ว, ว่าบ้านอกไก่ปล่ อ, อยบ้านแพ้ปล่อยบ้านนั่นละชีวิตทั้งหมดไปน้องแล้วก็เอาตะกงตะกตสสุดทรงใสอะไรเต็ไมไปหมดในร้านเนี่ยอรรถรจะเข้าบ้านก็นมีต้นมะยมมีต้นขนุนใส่แตมันหนุนจะมาไม่รู้เํมามะยมเนี่ยทำให้คนมานิยมชมชอบฉันบ้านหลังนี้ ต้นขนุนมาสนับขนุนชันให้เจริญกนะ้าวหน้าเอาต้นไม้มาเป็นวัตถุมงคลฮารอมด้วฮารารอมชีริกรด้วยเป็นมุชรีกผู้ยิ่งใหญ่เลยเราเริ่งใครอัลลอฮ์องเดียวอัลลอฮ์ให้เป็นให้ตายอัลลอฮ์ให้รวยให้จนอัลลอฮ์ให้เจ็บให้รวยอยู่ที่อัลลอฮ์องเดียวนั่นึ่งอัลลอฮ์องเดียวไปน้องแล้วก็ก็สุดท้ายก็คือข้อที่ข้อที่เจ ฮาวิยะเป็นนรกนะครับเป็นสํนาหรับคนมูนาฟิกคนมูนาฟิกก็คือเป็นเป็นมุสลิมแต่ปากแต่ใจไม่เอาเป็นเป็นคนแขกนี่แหละพี่น้องอยู่กับนบีอยู่กับกลุมลออกมล่มมุสลิมนะเป็นมุสลิมประกาศดามุสลิมพี่น้องนี่แหลคนมูนาฟิกหน้าไหว้หลังหล่อ وللذين كفروا ربهم عذاب جهنم وبيس المصير. ثمك أيادي. إذا ألقو فيها سمعوا لها شهيق وهي تفور. إذا ألقو فيها สามยอูล่าหาชัฮีกาวิ่ิยัติกรูอัลลอฮฺอานีดีบินะอิดอาแปลว่าเมื่ออุลกูฟีฮะถูกโยนลงไปในนรกนรกนรกมีจริงหรือมีมีมีมีมีไม่จริงจริงมีหรือยังมีแล้วหยุดดวงดาวองไหนไม่รู้ มีนะัมีแล้วพี่น้องเราจัดไปแล้วฉันั้นเมื่อพวกเขาถูกโยนลงไปใไนไฟนรกสาเมโอพวกเขาจะได้ยินเสียงนี่เล่านะเรื่องนรกให้เราฟังก่อนเข้านะเขาจะได้ยินเสียงอะไรครับชาฮีกรนเสียงควนค่าเสียงของไครอ่ะไม่ใช่เสียงคนตกนรกนะ เสียงของนรกเองเสียงนรกพี่น้องนรกในเวลาเมืเห็นคนกาเฟสเนี่ยนะมันเครียด ม, มาหนิกูจะ ข, ขยําเองเดีนี้เข้ามาหนิอย่าลืมนะไฟตัวไฟนรกเองนะเห็นมุสลิมเห็นกาเฟสเห็นคนเร็ว่อนมันเคลิงหรือมันเครียด เ, เลยเข้ามาขยําเองเดี๋ยวนี้ นั่นเสียงร้องของใครนะของนรกเองต้องอย่าลืมนะนี่อรรรนเล่าให้เราฟังนะเรื่องจริงไหมจริงครับแต่มันยังไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวนี่นะเหตุการณ์นี้จะเคยขึ้นตอนไหนนะพี่น้องตายก่อนฟื้นขึ้นมาอยู่ยืดอยู่ในทุ่งมาชัด เ, เห็นทั้งหมดเลยพลาดตรงนี้ถ้าใครอยากลองลองลองตายดูลองตายดเดี๋ยวก็รู้เองพี่น้อง รอน้าที่กูอานเล่านะ่มันจริงหมดเลยนะท่านคนที่ไปอ่านกูอานขาดทุนด้กำไรอ่านเถอะอดาอุลกูฟีฮาแต่เมื่อพวกเขาถูกโยนลงไปในนั้นพวกเขาจะได้ยินเสียงเสียงนรกเนี่ยร้องเรียกควรครางเป็นความอะไรนะด้วยคานะวยคามในตยทัฟซีอธิบายอย่างนี้ชาฮีบนี่แปลว่าวเสียงร้องของของลา พี่น้องลาเนี่เราไม่เคยได้ยินเสียงร้องเพราะเราบ้านเราไม่ไ ม, มีลาพน้องไปอยู่ในอินเดียสิรอเสียงมันน่าเกลียดมากเลยนะร้องตอนตีสานะี่ยผมสะดุง้งเสียงอะไรกันเนี่ยโอ้พี่น้องอยู่มักกากา็คงไม่ได้ยินนะแต่อินเดียจะยินงเยอะเพราะผมอยู่ผมเอาอยู่ข้างๆคนเลียงเลียงลาขอพักผมอยู่ต้องๆเลี้ยง ล, ล, ล, ล, ล, ล, ล, ลาไปยินเสียงลาบ่อยๆพี่น้องดังนั้นเสียงของลาเนี่ย มันจะเหมือนเสียงร้องของลาเป็นเสียงร้องของนรกนะครับคนที่อยู่ในนรกได้ยินเสียงร้องของนรกทุกวันมันจะร้องเรียกนะครับคู่ที่ถูกทรมานเมื่อถูกความร้อนเป็นอ้องไหนจะเสียงของนรกนีกล่ล่ดาแล้วก็เครียดแค้นแล้วก็ไฟนรกอีกแล้วก็ของร้อนๆในนรกอีกเป็น ที่น้องก็ดูไปไปไ ป, ไปรอดูละครเนี่ยหนังของไว้์ชานั้นที่ก็จะทำเรื่องอะไรเรื่องนรกเ ร, กรกสวรรค์ทำดูอาจจะเพิ่มดีมานท่านก็ได้เดี๋ยวอย่าลืมนะหนังของชาวนรกเนี่ยหนาตั้งเจ็ดสิบซอไม่ใช่ไม่ใช่ร่างแค่นี้นะยัยที่ต้องใหญ่กับตึกนี่เงเจ็ดสิบซอกอ่ะถามว่าทําไมต้องหนาหนังต้องหนาถึงเจ็ดสิบซอก ก็ต้องการจะให้เราได้ชิมการลงโทษเวลาผูกท ร, รมานอย่างมดตัดมันปวดใช่ไหมคกอยๆ ป, ไ ป, ปวดนิดๆค่เดินเดินเดอ้ท ร, รมานไปน้องอไฟไหม้มกันบืองกันก็มันจะเตรียมเตรียมเตรียน้อยใช่ไหมเตียมเตรียมเตรีเนึกว่ามันจะหมดพอเตรียมเตร็มที่แล้วอัลลอฮฺบัดดานาจุลูดานมกอีร่าอูอัลลอฮฺเปลี่ยนหนังให้ใหม่มาอีกก็เริ่มเจ็บอีกน้อง นั่นทรมานแล้วก็ไม่ตายด้วยชีวิตอยู่ในสุสานมีวันปืน้นชีวิตอยู่บนดุนยามีวันตายความตายเป็นเนื้มัดนะพี่น้องนะแต่ถ้าไปอยู่ในในนู่นน่ะในทุ่งไรนั้นอยู่ในใ น, น, น, ใ น, กนะในรกไม่มีคําว่าตายแล้วทรมานตลอดพี่น้องอเพราะว่าตายดีกว่านะอย่างภระยาฟาโรเนะี่ยไม่เชื่อฟาโร่พี่น้องขนาดมีคนช้าทั้งสาม 1ม0 0 0หพันคนูดูแลในเพ่น้องยังไม่เอาฟาโรเอาอัลลอฮ์ดีกว่ารู้ไหมก่อนที่ภรยาฟาโรจะเสียชีวิตเน่ะฟาโรสั่งลูน้องเอาหินทุมแต่อัลลอฮ์ให้วิญญาณของนางออกเจ็บไหมไม่เจ็บยิ่งอ่ะความตายเป็นนืมัดถูกทรมานอย่างนี้ก็แค่ตายพอตายแล้วจ บ, จบแต่วันอาคีรอนจะตายแล้วมันไม่นะถูกทรมานแล้วมันไม่จบ พี่น้องเรื่องชีวิตคนไหนคนไหนดีคนตุนยาก็ดีอาคีรัก็ดีแต่ดีให้มันเป็นท่านดีอาจจะต้องดีแบบอยู่ในสวนสวรรค์ขององค์พระสุคขาวะตัวต่อมาครับชาฮีก่อนวะฮีายตาตฟูขณะที่มันประทุ ข, ขึ้นมาออลไปน้องมันก็ระเบิดในนรกเนี่ยตุ้มตามตุ้มตาม Allah, มันไ ม, ไ, มไม่ได้มีความสุขตรงไหนเลยพี่น้องตดลองว่า ตัวนรกเองเห็นคนกาเฟสเนี่ยอืแบบเห็นเสือเห็นคนนะนะมึงมากู้ชายย้ำมึงตรงอย่าแย่แค่เห็นพวกเราอย่าจะกินกันไปนอ้องนรกก็เหมือนกันเห็นคนกาเฟสเห็นคนไม่เอาศาสน า, นน า, นาเนี่ ย, ยไปน้องแล้วมื่อคนกาเฟสนี่ยสายล้นไฟนรกชีวิตของคนกาเฟสไม่เคยอามน้าน้ำมาเลยดีไหมคนกาเฟสไม่เคยสุจูดตะล้อ ไม่เคยอาบน้ำน้ำมานเลยในที่ทุกาการในชีวิตเป็นตรงไหน น, นี่หมดระยะป่วยไม่ได้อะหมดยังครับพี่น้องครับต่ออีกอายาหนึ่งนะฮะการยาสีสลักเพชรมาแล้วนะ <c oughs> อายาที่8นะครับจากาดูต่าม่ยื้อมืนัลูกยิ้ كلما ألقي فيها ف و ج سألهم خ ز ن ت ه ا أ ل م ي أ ت ك م ن ذ ي ر تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها ف و ج سألهم ข้อ z a n ทูฮาอัลัมยาคิคุมนาซีร์ตากาดว่ามันแทบจะเกือบไม่ยัวปลว่าระเบิดมันแทบจะระเบิดมินัลไกวิ มินแปลว่าด้วยอร่อยซีแปลว่าความเครียดแค้นอรอร่อยแปลว่าความโกรธก็ได้ความเครียดแวงความโมโหคือนรกเนี่ยม่เห็นเห็นคนชั่วไม่ได้มันโกรธแบบเร า, าเดินเดินใส่ใสายส้อยสายลงเลกอะไรเ่พอละฟ้ามันรอบมันจะมองที่เรานี่แหละ สายรอบ้านมันแทบจะระเบิดออกด้วยความเครียดแค้นกุลมาทุกครั้งหรือคราใดหรือครั้งใดอุลเตียฟีห่หมู่หนึ่งหรือว่าคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มหนึ่งถูกโยนลงไปในไฟนรก น้องก่อนจะโยนเนี่ยก็มีมีวิธีหลายแบบนะอา่านก็นเล่าในกะฟีกุรอานคือภาพของชาวของคนที่จะไปนรกเนี่ยอาลานให้เห็ น, นก่อนก่อนที่จะลงนรกเนี่ยอา่านให้เห็นหมดแล้วไม่ใช่เห็นแค่ชั่วโมงนึงกันลงนรกไม่ใช่นะบางทีเห็นแล้วเป็นเป็นพันปีก็มี ก่อนจะลงนรกเห็นเป็นร้อยๆอยปีให้เห็นทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันพอเห็นแล้วก็กลัวแต่ลงยังยังไม่ลงให้เห็นไปก่อนสาเหตุที่อัลลอ์ให้เห็นภาพเห็นนรกจริงๆร่ะก่อนเข้าเนี่ยเพื่ออัลลอ์ต้องการที่จะมาเรียว่าแก้แค้นคนที่ดูถูกมุสลิมวันนี้มีมะ อย่างพวกเราเนี่ยที่ใส่หมวกใส่โต๊เดินเนี่ยหัวเราะเยอะก็มีใช่ไหมเอาไว้คราวไอ้แพะมาแล้วมุสลิม่าที่ใส่กุ้มผมเดินโอ้หุ่นมาแล้วผีมาแล้วอะไรแล้วก็ถูกตำหนิถูกเยอะเยอะ่ยอหัวเราะเยอะตลอดเรายืนนมานเนี่ยเขาไม่ให้นมาเนี ถาถาว่านมาเนี่ยเารู้ถูกเหยียดหยามะนะมุสลิมานี่คุมฮิยาบบางแห่งคุมไม่ได้นะประชาเอาวิยาบออกเลยเนี่ยนะักคนที่ประเภทเหล่านี้เนี่ยนะคนเหล่านี้ก่อนจะลงนรกจะต้องถูกให้นั่งและให้เห็นภาพอย่างนี้เป็นร้อยรอยปีก่อนเข้านรก ก็อัลลอฮ์ก็เล่าในคัมภีร์คุณอ่านเหมือนกันว่าไม่มีนบีคนใดที่อัลลอฮ์ส่งมาแล้วจะไม่จะไม่ถูกเยะเยยไม่มีถูกโยเยเยหมดแล้วก็พวกเราวันนี้ก็เป็นลูกเดินตามนบีถูกเยะเยย์ไหมถูกเยะเยยนะครับทีนี้พอทุกครั้งที่จะถูกจะโยนลงไปเนี่ยซาอัลละฮุมซาอัลละฮุมอัลลอ จะมีคนมาถามเขาเฝ้าจุนหมูหนึ่งสาระหุมค้อสนัตุฮาสาระหุมแปลว่าจะถามพวกเขาค้อสนัตุฮาผู้เฝ้านรกคนเฝ้านรกเนี่ยไม่ใช่คนนะมาลาอิกาพอเราเดินเข้าไปข้าถูกพาไปไปน้องไม่ใช่เดินเองหรอกมาลาอิกาลากไว้ต้อนไว้นะก่อนจะเข้านรกก่อนจะหยุกโยนลงไปนรก เมะละัยกาจะถามคนเฝ้านรกจะถามบอกว่าอัลัมยะที่กลุ่มนาเรียนาเรียสเนี่ยแปลว่าผู้ตักเตือนนี่ไงอย่างผมเนี่ย ม, มาในฐานะเป็นผู้เตือนอาจารย์ยาซีนสลักเพศมาในฐานะผู้ให้ความรู้เตือนนบีมุฮัมมัดมาในฐานะเป็นผู้เตือน น บ, บีมูซามาเตือนน บ, บียูนุสอิบรอฮิมมูซาอิซาอิบรอฮิมทั้งหมดเนี่ยมาในฐานะเป็นคนเตือนหมดถาวว่าน บ, บีมาเนี่ยหรือตัวครูที่มาสอนมาอบรมเนะ่ยเตือนเรื่องอะไรเตือนให้นึกถึงโลกอาคีร์ตักเตือนกันให้นึกถึงโลกอาคีร์ทาไมไม่ตัวครูหรือว่าน บ, บีไม่เตือนให้นึกถึงโลกดุริยา เพราะว่าคนวันนี้นะ่ะคุยเรื่องดุนยากันทุกค น, กคนใช่หรือไม่ใช่เอา้าทีนี่ทีวีละครทั้งหมดนี่เตือนเรื่องอะไรเรืงดุนยาหมดเลยใช่ไหมโรงเรียนสถาบันที่เปิดสอนธุก ร, ก, ร, ก, รกิจนะ่ะเรื่องดุนยาหมดเลยท่านคนส่วนใหญ่จะพูดเรื่องให้แสวงหาฤสกีของอัลลอฮฺบนหน้าดุนยาใบนี้ไม่ค่อไม่ค่อยจะมีใครมาเตือนว่าเอ้ย นึกถึงโลกอาคีรอบ้างนานึกถึงวันตายบ้างนามีไหไ ม, ม่น้อยฉะนั้นคนที่เข้ามัสิิดจะได้ยินโอมีอุลมะพูดเรื่องอาคีรอพูดถึงชีวิตหลังตายยุคนบีมุฮัมมัดคนที่อยู่นั่งตามนาบีจะได้ยินว่านาบีพูดถึงอาคีรอพูดถึงการลงโทษในศุกษาการลงโทษในหลุมในนรกนบีจะพูดจากคนอื่นไม่มีใครพูดฉะนั้น คนที่เฝ้านารกก็สงสารพวกเราเหมือนกันนะ่ะเอ็งเนี่ตกนรกทำไมไม่มีใครมาเตือนบังเลยหรือว่านารกมันมีจริง <c oughs> มีคนเตือนไหมมีแต่เคยฟังมามันไม่อร่อยมันไม่มันดูละครมันมันกว่าตั้งเยอะใครนี่ไม่ใช่ใชแล้วคนที่สอนในคนนรกคนแก่ๆทั้งนั้นอยู่แปดสิบอย่างเงี้ยหลอมไม่น่าฟังตรงไหนเลย เราคุยก็ไม่ไปยถกคิดถมันไม่น่าฟังตรงไหนเลยเอาคุรานมาออกอัานคุรานอีกแล้วฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมอันนี้คือตัวเอาตัลงว่าข้อกาณาตูห์อัลลมยะสิกุมนาจีรมันแทบจะระเบิดออกมาด้วยความเครียดแค้นคาใดหรือครั้งใดที่หมูหนึ่งถูกโยนลงไปในไฟนรก ผู้เฝ้านรกก็จะถามคนนั้นนะว่าไม่ได้มีผู้ตักเตือนมายัางพวกท่านดอกหรืออันตรายนึงดีกว่านะเพรดูคนที่จะโยนลงในนะรกเนี่ยตอบว่าไงนะบาดามีกับมีคนมาเตือนอเพราะดจานานาวีแน่นอนได้มีผู้ตักเตือนมายัางพวกเรา ฝากการลาบนาะแต่พวกเราปฏิเสธเราไม่เชื่อนี่คือคําตอบของคนที่จะถูกโยนในนรกเพรารับเลยรับสรภาพแล้วโอ้ฉันไม่เชื่อฉันปฏิเสธพวกเราเ็เหมือนกั น, ฉ, นฉันไม่เคยเชื่อเนี่ยทุกวันนี้นะกลุ่มพวกเรามีสองอย่างนะถือศาสนาแบบประเพณีปฏิบัติกบถือ อิสลามตามสุนนะนะบีมีสองอย่างเนี่ยคนที่จะถูกโยนในนรกในน้ำนะส่วนใหญ่ก็คือปฏิบัติตามประเพณีปฏิบัติระวังไม้ดีนะไม่เหมือนนบีถือศาสนานะถือไม่ถือรักอัลลอฮ์ไม่รักรักนะบีไม่รักแต่ไม่เคยรู้ว่านาบีนะ่ะสอนอย่างนี้ว่าอย่างไงรู้แต่ปู่ย่าตายายสอนมา ที่ครื่อยยาสอนมานะ่บางบางบางข้อก็ตรงกับที่นบีสอนบางข้อนี่ขวางกับนบีเลยอายุตัวอย่างวันอาชุรออ่าวันอาชรอใหญ่ยยที่เรียนกันมาที่อบรมกันมาทำอะไรกลัวอะไร น, ะ น, นั่นแหลนอแล้วก็ทำกันในหมู่บ้านเลยไปนองประชุมใหญ่เลย ขอบริจาคกันเป็นหกกระทะย0สิบกระทะผมก็เคยร่วมมาหมดแล้วถามว่าสุนท์นบีมียังไงไม่รู้พอมีคนมาสอนว่าสุนท์นบีให้ถือศีลอดเยอะๆนาะนในเดือนมหารอมอะไรเงี้ยนี่อะไรกันพวกนี้พวกไหนกันเนี่ยไม่เคยได้ยินใช่ไหมนี่ไงฝักัตจาบนาได้ยินแต่เราไม่เชื่องใช่ไหม แต่ศาสนาเนี่ยอิสลามเนี่ยใครเป็นเจ้าของอัลลอฮ์เป็นเจ้าของแต่อัลลอฮ์ก็ส่งนบีมาเผยแผ่เอาความรู้จากอัลลอฮ์เนี่ยมาสอ น, นต่อท่านเจ้าของศาสนาคือนบีกับอัลลอฮ์ตัวย่าตัวตายายนี่ยรักษาศาสนาบางสวนเอาไว้เท่านั้นเองแต่ว่าไอ้ของที่ผ่านมาที่ปู่ย่าตายายทำอะไรผิดเนี่ยเราวันนี้ต้องขอดูอนานาอัลลอฮ์อย่าลงโทษปู่ย่าตายายเราเลยเพราะเขาไม่รู้ แต่เราวันนี้มีทีวีตั้งกี่ช่องนะสี่ช่องะก็ดูเอาสิความรู้ที่มาจากนบนะีเกือบทั้งหมดนะนะ่าทัก็ศึกษาไปนะครับฝากการสับัญญัตแต่เราปฏิเสธแต่เราไม่เชื่อว่าพุลนาแต่เรายังพูดอีกไม่เชื่ออย่างเดียวไม่พอว่าพุรนายังพูดด้านทุรั ง, งนะพูดว่างไง มานาซัลลอฮฺมิ่งเชยแท้จริงอัลลอฮฺม่ได้ทรงประทานสิ่งใดลงมาพูดอย่างนั้นอัลลอฮฺไม่ได้ให้อะไรมากอกความจริงสิ่งที่อัลลอฮฺประทานลงมาเน่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนทราบไหไมเพืน่นเนาสิ่งที่อัลลอฮฺให้เป็นความรู้ประทานลงมาเน่ยอยู่ที่ไหนอยู่ในคัมภี เราอ่านเหมืการอ่านเฉพาะฟังเอาเสียงแต่ไม่ไค้เคยฟังเอาความรู้จักอัลกุรอานเนี่ยคนที่ห้อยตะกรุดเป็นไน่องมีไหมมุสลิมนี่มีไหมมีแต่อ่านคุนฮุลลอห์ทุกวันน่ะแต่ไม่เข้าใจคุนฮัลลอห์อ่ะคุนฮุลลอฮุอะฮัดแต่ว่าโอ้โมฮัมหมัดจงบอกจงพูดอัลลอห์อะฮัดอัลลอห์มีองค์เดียวอัลลอหมัอัลลอห์เป็นที่พึ่งทั้งหมด แต่ไม่เข้าใจอัลลมัตนะเอาดนมาห้อยเ่านี้อมาห้อยเอาตะกุดมาห้อยเอาตัวตะเกียบมาช่วยดวย น, นั่นแยังว่าอัลลอฮ์หุสมาตคําว่าอัลลมัตเี่ไม่เคยได้ยินเข้าหูแล้วว่าแปลว่าอะไรเพราะไม่เข้าใจกูอ่านอย่างเดียวเลยเนะาะคำถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้ความรู้มาแล้วน่ยสะอาดบ่อนสุดเป็นความรู้ที่ดีที่สุดผ่านยิบบรีนมาหาท่านนาบี ม, มุฮัมมัดเป็นความรู้ที่สะอาดเพราะ ไม่มีความคิดของมนุษย์เจืองปนอยู่ในกบีคุรานแต่เราไม่ได้เพราะไม่อ่านนะขาดทุนหรือกําไรขาดทุนอ่านอย่างเดียวได้ผลและบุญแต่ความรูม้ไม่ได้นะดีไหมไม่ดีอ่านใหม่ไปน้องอ่านคุรานที่รู้ความหมายดีกว่านะเราไปค่อยพัฒนากันไปนะอินอันตุมอินลาฟิโวลลินกบี อินเแปลว่าไม่มีหรือไม่อันตุมพวกท่านมันจะอยู่บนบนสิ่งใดอินลานอกจากฟีลลิงกะบีตอลานแปลว่าหลงหลงผิดกะบีแปลว่าใหญ่เพราว่ายิ่งใหญ่คนที่ไม่เอาศาสนาคนที่ไม่อ่านคุรานคนที่ไม่เอาอัลลอ คนที่ไม่เอาซุนนะนบีนัน้นคุณอ่านสอนว่าไงพวกเขาไม่จะเป็นอะไรนอกจากความหลงผิดอย่างร้ายเลยพี่น้องเสกสเกติคนที่หลงหลงผิดเนี่ยเอาล้อให้อยู่สบายหมดใช่ไหมใช่อันนี้ถ้าพี่น้องไม่ลมาสักปีหนึงอ่ะมันจะเป็นหวัดทั้งปีเหรอไม่เป็นหรอกอยังเหมือนเดิมนั่นแหละแต่อะไรมาหลงอ่ะว่าใจมาหลงอ่ะวิญญาณมาหลงไปแล้วพี่น้อง มันจะดำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้นามาสิน้องถามว่านมาสก็ไม่นามาสเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตนะมันเหมือนกันนะั่นแหละไม่นมาสก็แบบนี้นามาสก็แบบนี้กูไม่นามาสดีกว่าแต่คนที่เข้าใจศาสนาพี่น้องถ้าเข้าใจอิสลามเข้าใจเรื่องอัลลอฮ์อย่างดีพี่น้องครับสังเกตนะคนที่มีอิสลามเข้าใจ إ ي م านอย่างดีนี่นะเวลามีความเดือดร้อนมาเนี่ย เขาไม่สับสนเขาไม่หุ่นวายเท่าไรคงยกขอยกขอยกตัวอย่างมีผู้หญิงอยู่คนในะสมัยนาะบนีสามีก็ออกไปทำทาธุรกิจเขามีลูกตายมีมากี่คนก็นตายมาของคนก็นตายลูกคนสุดท้องเนี่ยลูกคนเนี่ยคนที่ที่เหลืออยู่เนี่ยตอนที่สามีออกจาก บ, บ้านไปเนี่ยลูกป่วย ก็ไปได้สักระยะหนึ่งวันจะสามีกลับเนี่ยลูกตายพระลูกตายเนี่ยภรรยานเนี่ยปกปิดเอาไว้ลูกตายอยู่ในบ้านสามีถามว่าลูกเป็นยังไงบอกลูกสบายดีไม่กล้าบอกว่าลูกตายเสร็จแล้วทำไงไปน้องสามีจากไปนานๆก็คิดถึงภรรยาใช่ไหมล่ะภรรยามาก็อาบน้ำนาอาบผ้าแต่งตัววีผมใส่เครื่องหอมสวยไปน้อง ให้สามีมีความสุขเสร็จแล้วก็ปรุงอาหารให้สามีทานร่วมหลับนอนกับภรรยานะครับเสร็จแล้วไปน้องก็คุยกับสามีบอกว่านี่พี่ถ้าหามีคนเขาให้ของฝากของเราไว้แล้วเขาจะเอากลับเนี่ยว่างไหมเขาเอากลับไปที่ของฝากนี่ใช่ไหมล่ะเขาพูดอย่างนี้ว่าวันลูกเราจะเอาล่อให้มานะ่เอาล่อเอากระเปแล้ว จะร้องโวยวายกนไม่ได้อกต้พูดไว้ไง่ายของที่อลัลลอให้มาทุกคนขอให้กฝากของมาเขาจะเอาคืนเนี่ยโวยวายได้ไหมไม่ได้ะกี้พูดไปแล้วโวยไม่ได้ก็ต้องเงียบดูแล้วตายไม่บอกสามีตั้งสี่ห้าชั่วโมงเพื่อะเพื่อเอาใจสาสีเนี่ยหญิงแบบนี้มีไหมในสังคมในสังคมมีถามว่าหญิงอย่างนี้อลัลลอพอใจหมพอใจ นี่ครับพวกเราเป็นอย่างงี้ไหมไม่มีเราเนี่แจ้งก่อนลูกตายแล้วประกาศมาถึงบ้านอารมณ์หมดแล้วใช่ไหม น, นี่เขาปิดก็เลยไม่ให้รู้เลยทานอาหารตอนร่วมหลับนอนกันแล้วก็คุยค่อยคุยให้สานี้ังที่มันก็เพิ่มขึ้นนี่ไงคนมีศาสนาเห็นยังคนมีศาสนาอยู่บนโลกนี้อยู่แบบสงาา่าในบ้านก็เป็นสวพพรรค์เฉพาะภรรยานี่ยแหละจะเป็นนรกภรรยานี่ยแหละ ถาว่ามีศาสนาดีกว่าไหมถ้านม่มีศาสนาต้องอ่านต้องอ่านตัวอักษรนี่นนญญยบเพราะฉะนั้นก่อนจะจบนะครับพ่อลูก่อนที่จะถูกโยนลงในนรกคนคุมนรกถามว่าไม่มีคนมาสอนคุณเลยอยู่ดุนยามาตั้งเจ็ดเจ็ดสิบปีแปดสิบปีปล่อยตัวให้ลงนรกทําไมตอบว่าไงนะ มีคนส่งมารู้เชื่ออะไรชื่อมุฮัมมัดกาจาอานานาดีมีคนมาเตือนรู้ฝักกัร์ซบนาแต่แล้วไม่เชื่อเห็นไหมพราะไม่เชื่อก็จพวกดันภูรังใช่ไหมฝักการ์ซบนาเราไม่เชื่อว่ากุลนาแลา ว, วยังพูดต้านอีกมานละลละอูมินชัยอลัลลอฮฺไม่จะส่งประหาสิ่งใดลงมาพวกท่าน ไม่ได้อยู่ในสิ่งใดนอกจากฟีดบอลลาลิงกะบีอยู่ในความหลงผิดอันชัดเจะ น, นั้นคนหลงหลงผิดคนบุญญานี้อัลลอฮ์ให้เขาอยู่สบายแบบฟาโร่พี่ น, น้องแต่เมียฟาโร่เนี่ยไม่เชื่อฟาโร่ทาไมทำไมเชื่อเป็นมุสลิมผานนบีไอสันผานนบีมูซาอะไรนี่สักเรามีอยู่คนหนึ่งที่เชื่อนบีมูซาอยู่ในพระราชวังมนะ คนทวีปผมลูกสาวฟาโร่ท่านเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมานแล้วก็ถูกฟาโร่เนี่ยพอรมานโยนไปในในกระทะในน้ํามันตื่นเตอดๆน่ะตายไปตั้งสามสี่คนวันที่นบีขึ้นเนี่ยรอดไปไปเข้าเฝ้าอาลัลลอฮ์เนี่ยยิบรีล น, นาะพานบีมุฮัมมัดพานไปมันไอ้ที่แห่งหนึ่งกลิ่นหอมมากนาบีถามว่าแยิบรีลทําให้กลิ่นหอมได้ไง ยิบยีก็เล่าให้ฟังว่ากลิ่นหอมกระเพาะนี่ยผู้หญิงคนที่ฟาโรโยโนใส่กระถังน้ํามันเกิดเดือดแล้วตายนะก็ายังไม่ดได้ตายเขาอยู่ที่อัลลอฮ์นี o ่กลิ e ่นหอเห็นไหมอัลลอฮ์ A L o N e P H M. ดูแลรักษาดังนั้นคนที่มีาศาสนาคนที่มี إ ม م ا ن ต่ออัลลอฮ์ L o N e P H M. คนที่อยู่กับอัลลอเป็นอันดันึ่งถูกทรมานเห็นไหมลองนึงกว่ายแย่แล้วจะที่ไหได้กลิ่นหอมน บ, บีมอมุมมานได้กลิ่น เราดูแลรักษาดังนั้นคุณน้องครับอยู่กับศาสนาขอเาที่นี่แหละเป็นาศาสนาที่ถูกต้องและมันคงแน่ใครอ่นอานคุณอ่านมจะกนเปิดประชุมอยนนู่ใครานหรป่าไม่มีเลยมีเพืะไรมีม่ีอานปฏิฆาเ อ, อ้าไป อ, อันทนโอ้ที่รงนประถ ม, มเช้าเนี่ยอามีเด็กอ่านุอ่านเปิดประชุมก็อบอกว่านะ ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวในโลกลิยุสฮิโรฮัวดัตตนกุลิเหนือกับศาสนาประเภทนวัฒนาธรรมอื่นทั้งหมดว่าแล้วการิฮรัลการิรุถึงคนกาเฟจะแอนตี้อิสลามพนาลายปก็ตามอิสลามจะเหนือกว่าเด่นกว่าในด้านความคิดความรู้ทุกสินตัวอย่างคนที่กระจายอิสลามเยอะๆก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆจะสามารถอธิบายให้คนฟังเข้าใจง่าย ครับสุดท้ายนี้ผมขอดูาลสอนล้อ น, นะให้ท่านพี่น้องที่มาเรียนเข้ารับฟังศาสนาได้รับประโยชน์เล็กๆในน้อยจากผมก็ขอให้นำมาความรู้เนี่ยครับไปพัฒนาแล้ก็ไปต่อยอดนะครับของชีวิตต่อมาขอเริญยาซีนสลักเพชรนะครับิามนด وصلى الله وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا ع ل م ل ن ا إلا ما علمتنا إنك أنت ع ل إن أن ي م الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ر ب ش ر ح لي صدر و ي و س ر لي أمر وحل الأقدام لسان يفتح قولي ر ب ن ف ت ح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير فاتحين สล ah uh. แมอะลัยกุมบาระมัตุลลอฮิุบะบรักาตุข้าพเจ้สันติความเมตตาพระนจากอัลลอฮฺสุบฮานุอฺตลาดจงมีได้ท่านอาการมุสตาฟาที่เป็นศพท่านพี่น้องทั้งสภาพบุรุษแล้วก็สภาพสติทุกท่านอาตมตุลิละครับที่วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุอฺตลาดครับให้เกียรติผมได้มีโอกาสมานั่งคู่กับ ท่านผู้หนึ่งที่เป็นถือว่าเป็นเป็นป่านะครับเป็นป่าของวงการมุสลิมในประเทศไทยเรานะครับไม่ได้ยกยอนะครับแต่ในความเป็นจริงที่ได้สืสบทอดท่านได้เรียนรู้จากท่านมาทุกครั้งที่ได้นั่งพูดกับท่านไม่ใช่เพราะว่าหน้าเหมือนท่านนะครับแต่เพราะว่าเพราะว่าองค์ความรู้ที่ท่านมีการถ่ายทอดของท่านซึ่งตัวผมเองบางครั้งก็ขออนุญาตนะครับแล้วก็แอบครับแอบขโมยไม่ใช่ขโมยนะแอบคัดลอกนะครับ ทับล่อตัวอย่างดีๆนะครับที่ท่านการนําเสนอของท่านที่พูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับนะครับนั้นผมก็เลยจะบอกว่าทำดีแล้วคกับที่เราท่านทั้งหลายวันนี้ที่เรามากันนะครับอจะมาไกลๆกันครับมาแล้วก็ได้มาคุ้มครัพย์สิ่งดีๆจากอาจารย์ท่านไปเนี่ยผมว่ามันเป็นหนึ่งในคุณค่าหนึ่งในความดีครับที่มันคุ้มกับการที่เราได้เสียสละมาในวันนี้นะครับ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เห็นนะครับสังเกตเห็นมาหลายครั้งแล้วนะครับแม้ว่าในฮะดิสนาบีเนี่ยกำลังระบุไว้นะครับว่าชาวนรกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับต่ผมคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่นะครับไม่ใช่ที่นี่นส่วนใหญ่ไม่ใช่ที่นี่นะครับ <c oughs> เพราะาส่วนใหญ่มาทุกครั้งก็พี่น้องว่าพชาตรีจะมีมากกว่าพี่น้องสภาพบรุษมุสลิมานี่จะมีมากกว่ามุสลิมทุกครั้งไปเลยนั่นก็เพราะว่าสิ่งที่พุกเรามีนะครับมีความตั้งใจที่จะ ที่อยากจะเรียนดูในเรื่องของศาสนานะครับท่านที่อาจารย์แนะนําเสนอก็จะ ต, ต่อยอดบางส่วนนะครับว่าสิ่งสําคัญพี่น้องครับสิ่งสําคัญที่ทําให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้รับความดีได้รับความสุขมันไม่มีอะไรเกินไปกว่าการที่เรานั้นได้ทําตามบทบัญญัติศาสนาเราเราจะรู้นะครับเราอาจจะมีความรู้ในเรื่องของดุนยาเรื่องของทางโลกเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการที่ประสบความสาเร็จ แต่ไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ามากไปกว่าการที่เราได้รู้จักศาสนาเราครับได้รู้จักพระเจ้าเราได้รู้จักวิธีการที่จะทําให้เรานั้นได้ถึงหลักการที่แท้จริงเราครับเพียงกค่ hadis บทนี้นี่พี่น้องครับ hadis บทนี้ที่ท่านรอสลอมบอสลอมบอซัมได้สง่าว่าก็เด็ดมากก็ปะมันกีมากแท้จริงแล้วนั้นบุคคลต่อไปนี้จะได้ริมรสชาติความหอมหวานของที่มา ความสุขของอีิมาครับคนที่เป็นมุขมินผู้ที่ศรัทธากับอัลลอฮ์เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสุขมีความดีมีคุณค่าแม้ว่าเขาไม่ได้มีเงินเป็นพันล้านร้อยล้านแม้ว่าไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทแม้ว่าไม่ได้เป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แต่เขานั้นสามารถที่จะเข้าถึงความสุขครับความสุขที่เป็นความสุขแบบละเอียดความสุขที่มันลึกซึง้งมันตรึงใจเรานะครับ ก็มาเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตใจเรานั้นสามประการต่อไปนี้ครับที่ท่านรสลลไดชสงสาวไว้นะครับหนึ่งมันรอเบียบล่าฮิรอบบนันผู้ที่ยินดีว่าอัลลอฮฺสุบฮานุวะตวานั้นทรงเป็นพระเจ้าว่าบิลอิสลามีดีนันบุคคลที่ยินดีว่าอิสลามเป็นศาสนาของเขาว่าบิมุ hammad ินุสสลลัลลอฮฺอัลเลฮีวาสัล ล, ลัาาลาลลมปรสูลัน ผู้ที่ยินดีนะครับว่าท่านรอสุรุลลักรสุรุลักราลสละลัมทรงเป็นศา ส, ลล ส, ลล ส, สาสามประการฮิสเนียกล่าวไว้นะครับว่าใครที่มีสิ่งนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นสุดยอดนะครับมันเป็นสุดยอดของของความดีของคุณค่าไม่มีอะไรที่มันจะมีคุณค่าไม่มีอะไรที่มันจะมีมีมีความดีมากไปกว่าสิ่งนี้พี่น้องครับหนึ่งคนที่ยอมรับว่าอลอสุภ า, าในวาระทรงเป็นพระเจ้านะครับนั้นคําว่ายอมรับด้วยความว่ายินดี นั่นหมายถึงว่านอกจากเราที่เรายอมรับในพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแล้วในยะหนึ่งนะครับก็คือการที่เรานั้นต้องปีบาร์ด้าครับการที่เรานั้นสักการะกับพระองค์นะครับกราบไหว้พระองค์ทํำคำดีกับพระองค์สิ่งที่เราทําไปนั้นเรามีเป้าหมายครับทําเป้าหมายนั้นเพื่อแสวงหาความปรปานจากอาเขาสบายในหัวตาา่างๆนั้นเรามีสิ่งนี้อยู่นะครับเราทําไม่ได้ทําเราเป็นคนที่รู้หลักมาร์เก็ตติ้งนะครับนะครับ กลยุทธ์ทางการตลาดนะครับว่าทําแล้วเนี่จะไปทําให้ใครเนรีฮะทำแล้วถวายใครสินค้าที่เราทําไปแล้วเนี่ยฮะขายใครทําเพื่อใครนั้นคนที่เป็นมุขมินผู้ศรัท ธ, ธาเนี่ยเขาจะมั่นใจเลยว่าสิ่งที่เขาได้ทำนะฮะสิ่งที่เขาได้ทํานั้นถวายแด่ลอสสุภายณุวตารานะครับถวายแด่ลอสสุภายณุวตารานั้นละหมาดบางครั้งที่เราได้ละหมาดแม้ว่าเราจะยากลําบากในขณะที่เราละหมาดแม้บางครั้งคนที่เจ็บ ไม่สบายต้องละหมาดนะครับอาบน้ำละหมาดก็ลําบากนะครับจะรู้เพื่อสยุดก็ไม่ได้ต้องนอนละหมาดแต่ลอสุภาณูรตาลาให้ผลบุญเขาเต็มนั่นหมายถึงว่าเขาได้สแสดงการจงรักภักดีกับัลอสุภาณูรตาลาเขาได้ถวายแด่าอสุภาณูรตาลามีอเขาทําแล้วรู้เป้าหมายในการที่เขาได้ทํานะครับรู้เป้าหมายในการที่เขาใช้ชีวิตยิ่งไปกว่านั้นครับ เขายินดีในทุกสิ่งทุกอย่างที่ so อัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาละเนี่ได้ส่งได้ส่งทดสอบเขาอันนี้ผมว่ามันเป็นเป็นเป็นข้อแตกต่างเลยที่อาจารย์ได้ได้กล่าวไว้นะครับว่าอิสลามเราเนี่ยมีหลักการที่มันมันเป็นสุดยอดของหลักการเป็นสุดยอดของการของความดีความสุขความสําเร็จนะครับอิสลามมีหลักการที่สอนว่าอรุณบอรฟินละการยินดีการยอมรับในทุกสิ่งทุกอย่างที่อ so ัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาทรงให้เกิดกับชีวิตเรา ชีวิตเราทุกคนครับปัญหาอุปสรรคแน่นอนครับต้องเกิดทุกคนใครที่ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคนั่นแหะคนณแต่ละคนมีคุณจะมีปัญหานะแล้วทุกคนมีทุกคนเลยนะครับนั้นอิสลามสอนวันนี้เมื่อทุกคนมีปัญหาตอิสลามให้ทางออกว่าอ๋อเราสามารถที่จะจัดการกับปัญหานี้ได้บางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปไปเปลี่ยนแปลงปัญหาได้ปีห้าสี่น้ําท่วมนะครับตัวเรานั้นไปสามารถที่จะไ ป, ไปห้ามไม่ให้น้ําท่วมได้ไหยครับไม่ได้ใช่ไหมครับ แต่อิสลามมีหลักการที่ทําอย่างไรที่เราจะมีความยินดีเมื่อน้ําท่วมได้มีหลักการสอนเอาไว้น้ําท่วมแล้วยิ้มได้นะฮะนั่นคืออิสลามที่มีหลักการสอนเอาไว้ถามว่าเมื่อเราไปดูในหลักการอื่นเราจะไม่พบความลึกซึ้งในเรื่องนี้อิสลามบอกว่าถ้าคุณยินดีว่าอัลลอฮฺสุบฮานุบอัลลอฮ์ทเป็นพระเจ้าซึ่งระยะหนึ่งในสําคัญก็คือการที่เราต้องยินดีในทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่บอส่งให้เกิดกับเราทุกปัญหาทุกปัสสาระ ทุกบททดสอบทุกความยากลำบากทุกความเหนื่อยมันเป็นผลผลิตมันเป็นความดีงามาเราเพียงสามารถเราเพียงขบริหารจัดการว่าเรายอมรับสิ่งนั้นให้ได้นะฮะมันเป็นสุดยอดความดีเลยใช่ไหมครับมันไมีมีอะไรที่มีคุณค่ามากไปกว่าการที่ตัวเรานั้นมีเครื่องอัตโนมัติปรับทุกเหตุการณ์ให้เป็นความดีได้ทั้งหมดเลยคงไม่มีอะไรที่มีคุณค่ามากไปกว่านี้ใช่ไหมครับ ข่าวดีคือเราทำเวลาทุกคนมีสิ่งนี้อยู่คือมี إ ي م านมีการศรัทธาขออย่างเดียวครับว่าทำเครื่องเครื่องตัวนี้ให้มันสมบูรณ์หน่อยให้มันทํางานอย่างเต็มที่ทุกวันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะก็เพราะว่าเราไม่พยายามบํารุงรักษาเครื่องมือที่อยู่กับเรานะครับเรื่องของอี م ا ่านื่องการศรัทธาเนะี่ยเราเอามาใช้กันน้อยมากเลยนะครับพลัง إ ม م ا ن พลังศรัทธาที่พลิกชีวิตพลิกโลกได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่เราเอามาใช้กันจริงๆเนะี่ยผมว่ามันไม่ถึง ประเสจะซ้ำาปเยวจะทั่วไปนะครับสกแกพภาพที่เรามีอยู่คุณค่าที่มีอยู่ในอีิมานโอ้โหมันเต็มร้อยมันทิ้อะไรได้ทั้งหมดเลยแต่เราเอามาใช้จับบางสิ่งบางอย่างมาอี ก, กหลายสิ่งเราทิ้งไปอันไหนที่เป็นพอใจกับเราเราส่วนใหญ่เรารับมาส่วนใหญ่ที่ไม่พอใจกับเราเราก็ทิ้งไปใช่ไหมครับนั้นอิสลามบอกว่าหนึ่งในคุณค่าของการที่เรามีอัลลอฮฺสุภาห์อุตระคือการแพร่ราลึความยินดีในอัลลอฮสุภาห์อุตระตลาดเป็นต้นครับที่ฉันได้กล่าวประวัติผู้หญิงคนหนึ่งครับ ผู้หญิงคนตัวเล็กๆนะครั บ, รบเธอชื่ออุมุสลีมคนที่อาจารย์ว่านกันนะฮะอุมุสลิมนะฮะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเขาชนดบทนะไม่มีคุณค่าอะไรนะครับยากจนชีวิตของเธอวันที่เธอรับอิสลามเป็นวันที่เธอดีใจแต่พอกลับไปบ้านเธอเธอกับเสีอใจมากเพราะว่าสามีสั่งให้เลือกเอาสามีคือมาลิกบินนั่นแบอกว่าอุมุสลิมเลือกเอานะว่าเธอเนี่ย จะเป็นมุสลิมโดยที่ไม่มีชั้นหรือมีชั้นโดยที่เธอไม่เป็นมุสลิมให้เลือกเอาระหว่าอิสลามกับสามีนะเนาถ้าเป็นเราแลฮะจะเป็นยังไงนะฮะอุ้มมุสลิมโจทย์คราวนี้ทําสบายมากเลยอ๋อไม่ต้องคิดมากเลยเอาอิสลามไ้ก่อนกัสามีเดี๋ยวนะครับจุดๆนะครับแต่สําคัญคือในความรู้สึกในวันนั้นนะฮะในวันนั้นนะฮะความรู้สึกของเธอความรู้สึกของ บริบทของคนในสมัยนั้นสภาพแวดล้อมของผู้หญิงสมัยนั้นมั น, มนยิ่งกว่าปัจจุบันนี้คือเหมือนกับจะต้องผูก<ฤ>ชีวิตไว้กับสามีเลยนะครับคนที่จะต้องเลี้ยงดูคนที่ต้องปกปักรักษาคุ้มครองเธอเนี่ยต้องอาศัยสามีหมดแต่เธอก็สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเลยว่ายังไงต้องรับอิสลามไปก่อนอิสลามเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอิสลามเป็นสิ่งที่มันมันมีความดีงามมากกว่ายอมเลือกอิสลามกลับมาดูตัวเราหลายครั้งครับพี่น้องเราที่บางครั้งนะฮะอย่าว่าแต่ อย่าว่าแต่สามีเลยครับบางครั้งเงินเพียงแค่ห้าร้อยคับเงินแค่พันหนึ่งบางครั้งเราก็ยอมแลกนะใช่ไหมครับแลกบางครั้งนี้เขาเรียกตั้งกันนะฮะเรียกตั้งกันนะครับแบงค์ห้าร้อยมานะครับยังมีอิสลามอยู่นะครับแบงค์พันมาเนี่ยยังขยับขับไปหน้าไปหลังถ้าเป็นแบงค์พันสองใบนะครับตัดสินใจเลยนะครับว่าอกลารคุณจะให้ผมเลือกใครก็เลือกนั้นเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับว่าบางครั้งถ้าหาวาเราจะต้องต้องเลือกในเรื่องของศาสนา ยินจัดกับเรื่องของศาสนาครับกับผลประโยชน์ในโลกนี้นะฮะหลายๆคนับก็สอบไม่ผ่านนะครับมันทําให้ความตกต่ำเกิดขึ้นกับกับสังคมวัตสุนิมเราอยู่ตลอดเวลาทําให้เรานั้นมันไม่มีอะไรที่ต่างไปกับต่างกับศาสนิกเลยยิ่งไปกว่านั้นเราอาจจะได้คว้าเราอาจจะได้ฆ่าเราอาจจะตกต่ําด้วยซ้ําไปเพราะอะไรฮนะเพราะว่าเรามีสิ่งดีอยู่แต่เรานั้นเป็นสิ่งดีที่ตั้งไว้อยู่บนทิ้งแล้วก็เราไม่ได้นําสู่การปฏิบัติเอา ในวันนี้เมื่อเรารู้หลักการศาสนาแล้วเรารู้สิ่งที่ดีๆแล้วต้องพยายามทํานะครับต้องพยายามทําต้องพยายามเก็บต้องพยายามฝึกตนเองนะครับเฉพาะในเรื่องของสิ่งที่อาจารได้บอกเอาไว้นะครับในเรื่องของหลักการสัทธานะครับต้องพยายามนะครับทําให้เป็นอัตโนมัติอะไรที่มาประสบกับเราเนี่ยขอให้คิดเลยอัลฮัมดุลิลลาฮ์คิดเป็นความดีคิดเป็นความเมตตาต่อรัศมีฮาเนวะตาละครั บ, รบทำ บ, บ่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยนะครับนั้นอุมุสลีมนะครับ เธอเลือกได้นะครับเธอเลือกเอาศาสนาไว้ก่อนครับเสร็จแล้วพอเป็นมุสลิมมาแล้วเธอสังเกตเห็นว่าคนมา ด, ดีนาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนมีฐานะมีความพร้อมไปหาท่านศอสดาสโลมาร์ของอัลลอฮฺสัลลัลลลลลลมบางคนก็บอกว่าท่านมีที่นะอยให้บริจาคให้ท่านสร้างมัสยิดนะครับมีที่นะอยากให้ท่านปลูกบ้านอยู่ในที่ของชั้นคือหลายหลาคนก็พยายามอยากจะรับใช้อิสลามด้วยกับสิ่งที่ตนเองได้มีอยู่ อุมมุสลิมกลับมาดูตัวเธอเธอเป็นหญิงตัวเล็กๆยากจนคนแคนไม่มีทรัพย์สมบัติที่จะอยากที่จะรับใช้อิสลามไ ด, ด้ตอนนี้ที่มีอยู่สิ่งเดียวที่เป็นสิ่งที่เธอรักและหวงแหนคือลูกชายอานัสบินมาดครับในวันที่อานัสอายุ ป, ประมาณเก้าขวบก็คิดได้เออ น, นั้นฉันมีลูกฉันสามารถที่จะเอาลูกนั้นไปรับใช้ปฏะบัดขั้วโซลต์เป็นการรับใช้อิสลามได้คิดได้อย่างนั้นนะครับรีบจูงลูกไปเลยครับ ได้ไปหาท่านรอสู ล, ลอัลสลอมบอกย่รอสู ล, ลว่าฉัน ม, มีสิ่งใดที่จะรับใช้อิสลามฉันมีลูกเป็นลูกสุดที่รักของฉันฉันขอมอบลูกของฉันนั้นรับใช้ท่านรับใช้อิสลามโู้นั่นคือหัวใจของคนที่มี إ ي م านมีศรัทธาใช่ไหมครับนั้นทุกทุกความคิดของเธอทุกการปฏิบัติของเธอทําอย่างไรเพื่อให้ได้ผลบุญทําอย่างไรเพื่อให้รับใช้อิสลามนะครับแม้ว่าจะเป็นเป็นสิ่งที่เธอรักเธอก็ยอมเพราะว่าเธออยากจะได้ ความปรปักษ์จาก Allah อยากจะได้ความบิงานจาก Allah Subhanahu Wa Taala มากกว่านั่งกลับมาดูตัวเราไปดูเจ้กลับมาดูตัวเรากับตัวเราตัวสังคมเราเห็นคนแบบนี้ที่พยายามจะรับใช้อิสลามด้วยกับสิ่งที่ตนเองได้มีอยู่เนี่ยมันได้เท่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะนั้นจะดีไหมครับว่าวันนี้เอาแค่ที่เรามีอยู่นะครับตามกําลังความสามารถที่มีอยู่พยายามเนียนที่จะรับใช้อิสลามรับใช้ศาสนาของ Allah Subhanahu Wa Taala นะครับ หลายคนมีตำแหน่งครับผมบงทีแล้วเสียดายนะครับมีตำแหน่งมีหน้าที่ตอนเลือกตั้งกันทุกตำแหน่งพยายามอยากจะเป็นอยากจะได้ตำแหน่งแต่พอมีตำแหน่งแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นไงครับเสียดายครับว่าเขาปล่อยวางไปนะครับไม่ใส่ใจไม่ทำตามตำแหน่งหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบนะบเพียงแค่ บ, บุคคลที่ดำรงตำแหน่งต่างๆนะฮะองค์กรต่างๆในุสลิมเราทา ผมคิดว่าถ้าทําเพียงแค่ห้สิปอร์็นตนะครับผมว่าสังคมมุสลิมเราก็จะมีความเจริญมากกว่า น, นี้อย่างแน่นอนนั้นหลายคนอยากจะได้ตําแหน่งแต่ไม่ยอมทําตําแหน่งนะครับในยังพูดอ่านจึงกล่านะครับว่าอุบาตุสีมาอาตากัรวาหุตไ ด, ดร์อาเทโรทั้งจงสแสวงหาอาเทโรโดยอาศัยปัจจัยที่พระองาคา์รัศมีพาราตดลาดมอบให้กับท่านมาบางคนเอาว่ามอบให้ตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับเราก็ใช้ตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับ ทำความดีครับคนที่เป็นตาต้องนะครับมีความามีความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพก็ใช้ใช้สิ่งที่ตนเองตนเองมีอยู่นะครับพระใหญ่อิสลามครับบางคนมีเป็นผู้นํานะครับท่านอาจารย์อุสส า, านะครับทําเกินร้อนะครับเป็นทั้งอิห ม, ม่ามเป็นทั้งกลุ่มในการที่มีอยู่ที่เอาก็ให้มาใช้เต็มศักยภาพเดี๋ยแล้วประโยชน์ ต, าต่างๆมันก็เกิดขึ้นนั้นถ้าหากว่าคนในสังคมเรานะครับทํา มีแบบนี้สักร้อยคนม่เหมือนแตมอุสสาห์สัร้อยคนอะไรมันจะเกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับผม <c oughs> คิดว่าสิ่งดีๆมั น, นย่อมเกิดขึ้นใช่ไหมครับอัน <c oughs> นี้เป็นสิ่งที่เราลืมกันไปแล้วก็ไม่ใส่ใจกันนะครับเะนั้นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายแล้วก็น่าเสียของกับคนที่มีตําแหน่งแล้วไม่ใช้ศักยภาพตําแหน่งที่มีอยู่นั้นแสวงหาความปลดปา่อยจากวสุาพาณูตานะครับนึกถึงท่านหญิงอุมุสลีมตัวเล็กๆนะครับมีสิ่งสิ่งที่ตนเองพอที่จะมีอยู่นะครับแต่ก็พยายามพยายามใช้สิ่งนี้นะคร คลิต่อมาครับในขณะที่เธอเป็นไม้มาอยู่ะยะยช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับก็มีคนมาชอบนาะชื่ออบูกตระทอบุตระฮะส่งตัวแทนมาส่งมาขอสู่ขอนาบเธอบอกว่าอบุตระฮะจริงๆแล้วเธอได้ไม่ได้รังเกียจอบุกตฮะทาหรอกแต่สิ่งที่เธอยังไม่สามารถที่จะรับนะรับรับ นี่ค่ะของอบดุลตะทาได้เพราะว่าอบดุลตะานั้นท่านยังเป็นผู้ที่เป็นกาเฟตเป็นผู้ที่ปฏิเสธอิสลามวันใดก็ตามที่อบดุลตะารับอิสลามเธอจะถือเอาการเป็นอิสลามของอบับดุานั้นเป็นมาฮัตเป็นค่าแต่างงาน<อ>ผู้หญิงคนหนึ่งที่ความคิดของเธอเห็นแต่เรื่องอกเราเห็นแต่เรื่องของอิมานเห็นแต่เรื่องการรับใช้อิสลามเมือ่อ ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับช่วงนี้ครับที่หลายๆคนอาจจะไม่ไม่ไปถึงในขั้นนี้นะครับแต่นั่นไม่ใช่อุบุสลิมเมื่อเธอมีโอกาสที่จะเผยแผ่อิสลามที่จะด้ว่าที่จะให้คนคหนึ่งนั้นรับอิสลามได้เธอไม่ปล่อยโอกาสนั้นทิ้งไปครับแม้ว่าในโอกาสนั้นถ้าเธอจะเรียกเงินจานวนเท่าที่เธอต้องการได้ไหมได้อบูตุลาเป็นเศรษฐีของนครมาดินะ แต่เธอไม่ต้องการเธอบอกว่าเพียงแค่อบรตลาห์ถ้าหากว่าท่านรับอิสลามท่านจะเอาการเป็นอิสลามของท่านเป็นมาพัเป็นศิลส์ศไม่เรียกรอ้องเงินทองครัเป็นร้อยเป็นพันไม่เรียกร้องแต่ขอให้ท่านได้รับอิสลามครับอบโบรตลาห์ซึ้งใจครับแล้วก็ยอมรับอิสลามนะครับและสิ่งที่เธอเธอได้คืออะไรครที่เธอได้นั้นมันมันมากยิ่งกว่าสิ่งที่ที่หลายๆคนอาจจะได้นะครับเธอได้รับทั้ง ความรักเนี่บุตรลามอมอบให้ความเกรงใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอบุตรลามอมอบให้กับนาง น, นั่นคือสิ่งที่คนคนหนึ่งนะครับแสดงออกถึงความมีอิสลามแสดงออกถึงการที่ก็มีเอาล้อสุภารูตะละว่ามันมันทุกย่างก้าวทุกเริยบ ท, ทุกการเดินของของคนคนนั้นนะฮะมันมีคุณค่ามันมีสิ่งที่ต้องจารึกเอาไว้ที่เราน่าจะต้องนําไปเป็นแบบอย่างครับนั่นคือ ท่านหญิงอุ ม, มุสลินนะครับนั้นเธอยอมรับในอิสลามยินดีในอิสลามทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอที่เธอสามารถที่จะมอบให้กับอิสลามนะครับเธอมอบให้อย่างเต็มที่เลยนะครับสุดท้ายลอสุภภาวุตระลานั้นมอบสิ่งดีๆให้กับนางนะครับยิ่งสิ่งดีดีที่ว่านั้นนอกจากความสุขที่มันเป็นความสุขขั่วคราวในโลกดุริยางี้แล้วนะครับยิ่งไปกว่านั้นเธอได้รับนะครับสิ่งนี้ครับ ขรรท่านอิสรลอลลลอฮ์ฮะลสัลออสลมนไปอสิสลามียรอดขึ้นไปรรับละหมาดนะครับทา่านรอสโลลลอฮ์ได้เห็นได้ยินเสียงคนผู้หญิงคนหนึ่งครับเดินย่องอยู่ในสวรรค์พอทา่านรอสโลลลอฮ์เหลือบไปเห็นทา่านรลอลลลอฮ์จได้ว่านั่นคืออุมมุสลิมนั่นเป็นนัยยะครับว่าอุมมุสลิมเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทา่านรลอลลลอฮ์ได้ได้บอกว่าเป็นชาวสวรรค์อย่างแน่นอนนะครับอกจากนอกจากท่นกานหญิง ามัชิตต์ใ่ไหเธอเรียกกันมัชิตต์มัชชิตตที่อาจารเล่าให้ฟังว่าเราสร้อยได้ไปเห็นว่าเธอได้กลิ่นความกลิ่นหอมเป็นชาวสวรรค์นั่นคือคุณค่านะครับคุณค่าที่เรามีอิสลามคุณค่าที่เรามีอีมา น, นั่นเป็นความสุขที่มาบอกนะครับเป็นความสุขที่มันไม่อาจสามารถที่จะอธิบายเป็นตัวอักษรได้เขายินดีเขายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างเขาคิดในเรื่องของอัลลอฮฺสุบฮานุอัลตะลาทำให้เขานั้นได้มีความสุขนะครับมีความสุขในโลกนี้เพียง สิ่งเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่จริ่งไปกว่านั้นเขายังมีความสุขเป็นความสุขที่มันบรมสุขและมันยืนยาวถึงวันมะเกียร์มาเลยกว่าได้นะครับมันอยจะฝากสิ่งนี้ครับว่าเรื่องของการี إ ي ่านการศรัทธานะครับมันเป็นสิ่งที่มันมีทรงคุณค่านะครับนักวิจัยเขาได้ค้นพบนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คนประสบความสําเร็จได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่คนเก่งคนเก่งนะครับไอคิวคคนบอกว่าคนเก่งคนเก่งเนี่ยที่จะประสบความสําเร็จ เขาได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าไม่ใช่คนที่เป็นด็อกเตอร์คนที่เก่งๆและหลายๆคนนะครับก็ไม่มีความสุขในชีวิตไม่มีความผาดไม่มีความไม่มีความสําเร็จแต่ส่วนใหญ่คนที่มีความสําเร็จคือคนที่มี EQ คนที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์ครับฉลาดด้านอารมณ์นั่นคือรู้นะครับนั้นคนที่เขายินเดียเขายอมรับในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์สุภาโดยแต่ทรงให้เกิดนั่นแสดงว่าเขามีความฉลาดด้านอารมณ์แน่นอนครับ คนที่มีความซอฟบัตมีความอดทนแสดงว่าเขามีความฉลาดด้านอารมณ์อย่างแน่นอนนะครับท่านบุคคลเหล่านี้เป็นคนที่น่าจิตชาเป็นคนที่เป็นคนที่ปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหายากข่าวดีก็คือว่าเราทุกคนครับมีเครื่องมือที่จะที่จะเป็นบุคคลต้นแบบดังกล่าวได้นะครับโดยที่เราพยายามใช้อิสลามที่เรามีอยู่นะครับเข้าไปให้ถึงนะครับยอมรับให้ถึงยอมรับในสิ่งนั้นแล้วเราก็จะได้รับความดีจาก อัลลอฮฺสุบฮานุวะตราระเป็นครับดัง น, นั้นคนที่ยอมรับในอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาระทรงเป็นพระเจ้ายอมรับว่าศาสนาอิสลามครับเป็นศาสนาของเขาแล้วก็ยอมรับว่าทรรารุลอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาระเป็นศาสนาทูตของเขาจึงถือว่าเป็นคนที่น่าอิจฉาและก็ไม่เป็นไม่ได้แล้วนะครับนั้นพยายามรับสิ่งนี้ไว้ครับก่อนจะจากกันในวันนี้อยากจะฟัง อ, อยากจะเล่าของ สิ่งครั้งหนึ่งครับนีคนมาเข้ามาท่านอาลีบินะเบียตอเล็กในขณะที่ท่านเป็นขอขรรยาเป็นผู้นํานะครับมาถามสี่ข้อนะครับซึ่งสี่ข้อนี้มันเป็นคําตอบที่มันโอ้มันกินใจมากเลยถามยังไงดูนะฮะคนมาถามท่านอาลีบินะเบียตอเล็กว่าย่ามีร้อนมีนินโอ้ท่านผู้นําเอ๋ยครั บ, รบมาฮวนว่าจิบวะมาฮวนเอาจับอะไรคือสิ่งที่วาจิบ และอะไรสิ่งที่มีความดีกว่านะครับมีความสําคัญกว่าวาจิบคาว่าเอายับก็คือมีความสําคัญมากกว่าวาจิบท่านอาลีบินาเบตัวเล็บกล่าวว่าวาจิบนั่นคือป้อตุลลอวาจิบนั่นคือการที่เรานั้นต้องเชื่อฟังต้องทําตามหลักการศาสนานั่นวาจิบวาจิบต้องละหมาดวาจิบต้องถือนสินอดนั้นเป็นวาจิบวาจิบนะครับแต่สิ่งที่มีความสําคัญมากกว่าวาจิบคืออะไรฮะตะกุลมาอาวสิการละทิ้งความชั่วสําคัญกว่านะครับ บางครั้งเห็นสังเกตนะครับคนละหมาดเก่งนะครับแต่ยังนินทาอยู่นะครับยังโลภอยู่นะครับยังเอาเปรียบคนอื่นอยู่แบบนี้แสดงว่าการละทิ้งความชั่วเนี่ยมันยากกว่านั้นใครก็ตามครับที่รักษาพาักรูเอาไว้และละทิ้งความผิดพลานั้นจะเป็นคนที่ที่มีคุณค่ามากถามคําถามที่สองครับถามว่ามะฮุลกอรีบุมะฮุลอะตรออะไรคือสิ่งที่ใกล้และอะไรคือสิ่งที่ใกล้ที่สุด ท่านอาลีบินาบต์ตอล็บกล่าวว่าอาลกอรีบยะมันลกไย่ามะสิ่งที่อยู่ใกล้กับเราคือวันเกิดมะวันสิ้นโลกแล้วมันใกล้แล้วนะแต่สิ่งที่มันใกล้ที่สุดใกล้ยิ่งกว่านั้นคืออะไรฮะอัลเมาท์ความตายกับความตายนั้นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราครับความตายเหมือนกับเส้นเลือดข้างข้างคอเราเลยมันอยู่ใกล้กับเรามากนะครับใชครับอย่มามั่นมั่นใจนะครับว่าเราอายุนี้แล้วยังยังไม่ใกล้ความตายนะครับนั่นความตายใกล้กับเราครับ ทำคําบทำที่สามครับมาฮวนอันีบออกมาฮวนอันจับอันจีบสิ่งที่มันแปลกครับสิ่งที่มันน่าแปลกคืออะไรและอะไรที่มันแปลกมากที่สุดท่านอาีบินไดบอกเล่าก่าวว่าสิ่งที่แปลกคืออัจฉริยะโลกเรานี้นะครับมันแปลกมากเลยนะแปลกมากเลยคนเป็นอยู่ยังไงครับมีไอโฟนมีไอแพดมีอะไรครับมันแปลกมากเลยนะที่ที่มันมันเกินจินตนาการเรา แต่สิ่งที่มันแปลกมากที่สุดคือพุอุิยุทธิยาคนที่หลงในดุลยานี้เห็นไหมครับว่าสิ่งที่เป็นความสุขสิ่งที่เป็นความเจริญอยู่กับเราเม่จรรย์ยั่งยืนครับดี๋ยวมันก็หมดไปนั่นคนที่ยึดติดกับลาบยศสรรเสริญจึงเป็นคนที่แปลกมากยิ่งกว่าและถามคําถามที่สี่ครับท่านถามว่ามาหัวซาบุอุมาหัวอัศบอะไรคือสิ่งที่ยากและอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุด ท่านอารีบินจะเตัล็กกล่าวครับว่าสิ่งที่ยากนั้นคืออารมณ์ขอระพครับชีวิตในกุบรสหลังความตายชีวิตหลังความตายเป็นชีวิตที่มันยากครับที่เราจะป่าฝืนที่เราจะป่าด่านนั้นไปได้นะครับแต่ถ้าใครฝ่าด่านนั้นไปได้โลกอาจจะรอสบายนั้นเรื่องในกุบรสชีวิตหลังความตายเป็นเรื่องที่ยากอะไรท yeah! ี i i Mother, no ่ยากยิ่งกว่าสิครับอิไรที่ิโดนิจัดการเดินไปสู่กุบรสโดยที่เรานั้นมมีสบียรที่จะใช้ในวันนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่านะครับ นั้น4ี่ประการนี้ที่เป็นคําถามที่มันมันตรงประเด็นกับเราท่านท่าไหร่นะยกโลกปัจจุบันนี้มากเลยเพียงครับเพื่อให้เราได้ตกฝึกในสิ่งนี้แล้วก็เพื่อให้เราได้ได้ตอบคําตอบและพยายามเราได้ระวังรักษาสิ่งที่มีประโยชน์กับเรานะครับนั่นคือสิ่งที่ขอนํามาฝากไว้แล้วก็เป็นอ่าเป็นคำข้อฝาก4ี่ประการก่อนที่จะจัด ก, กันในวันนี้เพียงครับขอให้เราสุภาพโดยส า, ารข้าพทานเตอฟีคกิดายะความสุขความสําเร็จความยิงาน ห้กปานุนัญพูลท่านนี้ฮะว่สตางค์พองคลิวละุมวันิี้ายรินมุสเมีนะมินติลิัมทาสตระอินนวลกัฟรุรักีมครับจะมีคำถามที่ท่านอาจารย์มุสสาเนครับบิสมิลลาฮิราะห์มิราะห์อิต่อไปนี้เป็นถามตอบนะครับแล้วถามอาจารย์ศิษ์เลยนะครับอัลลอฮสุบตาลาออกข้อสอบไว้ให้เราแล้วตอนที่อยู่ในลุมฝังศพนั้นมีกี่ข้อกับอัลลอฮ จะให้มารีกาถามเรื่องอะไรครับนจา้อาจารย์วัฟาตอบมาดีกว่าครับขออนุญบิสมิลลาฮิ р р а х м ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงการุณาประณีผู้ทรงเมตตาเสมอความจริงข้อสอบเนี่ยอลองร่วมาก่อนแล้วให้ลูกศิษย์ให้นักเรียนทัวโลกเนี่ยร่วมาก่อน ความจริงรั่วของท่านธรรมดาเขาไม่รั่วเราเขาสอบเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้ให้ดีแต่ของอัลลอฮ์นี่แปลกนะบอกร่วหน้านฉันจะสอบเธอสามข้อครับข้อที่หนึ่งถามว่าเขาจะสอบในวันที่นอนอยู่ในสุสานว่ามารบูกะแปลว่าใครเป็นพระผู้อภิบาลของท่านอัลลอ์เนี่ตอบได้ไหมว่าคุรบีนะ ไม่ใช่ปากตอบนะวันนั้นม่ใช่อีหมานมันจะตอบตอบด้วยวิญญาณนะวิญญาณจะตอบแล้วก็มัณฑอีม่ามุกะใครเป็นอิหมามของท่านอิหมามันจะได้หมายถึงคุณเอาอะไรมาเป็นทางนําสําหรับชีวิตก็คือกุารานอัลคุรานอีหมามีเมื่อก่อนผมนึกว่าอิหมามนำนำมาดไม่ใช่อิหมามานถึงคุรานเนี่ยนําทางเรานะ ข้อที่สามถามว่ามันฑนาบีอยู่กับใครเป็นนบีของท่านตอบว่าไงนะมุฮัมมัดนบีถามว่าเอานบีมาเป็นเอามุฮัมมัดเอามุฮัมมัดเป็นนบีจริงหรือเปล่าเอาจริงๆนะนอนตามนบีกินน้าตามนบีอาบน้ํานบีตามนบีทะเลาะกันตามนบี ทะเลาะแบบไหนก็ฐานจรยาศีอยู่กับภรรยาตามนบีทําไงอุลโลเนี่ยต้องเอานบีมาใช้ในชีวิตจริงๆ24ชั่วโมงต้องทำตามนบีทั้งหมดนี่คือข้อสอบที่อเลาจะให้มลิก้ามาถามขณะที่ท่านพี่น้องถูกฝังอยู่ในสุสานแล้วก็นอนอยู่คนเดียวในพี่น้องสามีลากลับเป็นคนแรกเลยเมียตายแล้วสบายแล้วสิ พอไปตอ่าเดี๋ยวถามอีกข้อหนึ่งครับท่านนบีมูฮัมมัดสุลตานุวาิสัยลัมให้ให้เรานึกถึงวันตายเลยครับเพราะว่ามนุษย์นั้นโดยมากจะไม่สนใจเรื่องความตายเพราะว่าอาจารย์มุสสาคไปพูดวันนั้นว่ากำลังหลงดุนยาอยู่อยู่กันในการแบบเชิญและเล่นเรื่อยๆไปเคยพูดที่บางที่หาบวาวันนั้นผมดูทีวี สลับกันนะครับปราทับใจนะครับว่าเขาสอบนี่รั่วนะครับน่าจะทํากันได้คะแนนเต็มเต็มนะครับแต่ว่าถามตัวเราเองนะครับว่าคะแนนเต็มร้อยนะฮะตอนนี้เราได้เท่าไหร่นะครับครับเรื่องของชีวิตหลังความตายที่เราสอนกล่าวไว้นะครับว่าวกับแปะเลือกมะกีอว่าต่อการนึกถึงความตายการพูดถึงความตายเนี่ยมันเป็นคำคำตักเตือนที่มันพอเพียงแล้วถ้าจะเอาการเตือนในเรื่องความความการเตือนมุสลิมเรานะฮะ เตือนเนี่ยการเตือนเรื่องความตายมันจ บ, จบเพียงแค่ข้อเดียวเนี่ยมันก็พอเพียงแหละมันจึงมีความยิ่งใหญ่นะครับว่าสิ่งที่เรามีอยู่กับเราทั้งหมดเลยนะครับมันไม่เจริญยั่งยืนนะครับบไม่ช้าก็เร็วเัืนจากกันไปที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับท่านหญิงมุมสลิมนะครับได้ได้ไดใช้คลิกมากกับกับสามีนะครับ ถ้าม <CO> ีคนคนหนึ่งเอาของมาฝากไว้แล้วเจ้าของเขาจะเอาของคืนไปเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ที่จะห้ามเลยไหมไม่ให้ได้ไหมสําคัญเลยนะครับดังนั้นให้เรารู้นะครับว่าสิ่งที่ทั้งหมดเลยที่อยู่กับเรานั้นมันสิ่งที่ล้อสุภาโดยตาฝากกับเราไว้แม้แต่ชีวิตเราก็เป็นสิ่งที่ล้อสุภานโดยตาฝากกับเราไว้นะครับทรัพย์สินเงินทองเป็นสิ่งที่ล้อสุภานโดยตาฝากกับเราไว้ไม่ได้อยู่กับเราตลอดกาลนะครับครับหลายคนก็จะบอกนะครับว่าอย่าพูดลูกเดอะดัมมาลีมาดี มนุษย์ก็จะกล่าวว่าสิ่งนั้นเป็นของฉันสิ่งนี้เป็นของฉันอันนี้อ uh, โทรศัพท์เป็นของฉันรถเป็นของฉันบ้านเป็นของฉันแต่นบีกล่าวว่าสิ่งที่เป็นของเขาอย่างไดนอนคืออะไรอันนามาละหูสิ่งที่เป็นของเขาเนะี่ยมาอากาละอวะอัฟนาสิ่งที่ได้กินได้ใช้ได้ได้กินได้ใช้เสร็จแล้วก็ถ่ายออกมาอวะมาละวิซะอวะอับลาสิ่งเสื้อผ้าอาภรป์ปฏิสีที่เราได้ใช้เสร็จแล้วมันก็ขาดไป วัมาต่อซดแล้วก็วัวอมหัวและซดแล้วก็ทรัพย์ที่เราได้ใช้ที่เราได้ทำซดแล้วก็ได้ฝากธนาคารของรัฐสุภาโนว่าตลาดไว้ถ้าเหลือนอกจากดังกล่าวแล้วมันไม่ใช่ของเรานะครับไม่ใช่ของเรานะครั บ, รบเป็นของใครครับเป็นของวาริษเป็นของพญาสตายไปเอาอะไรได้ไปไหมครับไม่ได้เลยใช่ไหมครับตายไปมีเพียงมีเพียงแค่ผ้าขาวลงนะครับสาสิ่งตามเราไปถึงในกุบดครับมีครอบครัวเรา มีทรัพย์เราตามไปแล้วก็มีอมามันสิ่งที่เราได้ภาคเพลินเอาไว้สามอย่างตามไปถึงหลุมฝังศพครับแต่มีสิ่งเดียวครับที่อยู่กับเราสิ่งเดียวคืออะไรฮะคืออมามันอิบาดะคือความดีสิ่งที่เราทำเอาไว้ภาคเพลินเอาไว้นะครับอยู่กับเราไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนั้นอยู่กับเราแต่สิ่งที่สิ่งที่กลับมาคืออะไรฮะคนที่ปส่งเรารักเรารักเรามากที่สุดลูกเราภรรยาเราแต่รู้ไหมครับว่าคนที่ เอาดินกบเรานั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกเป็นทายาชใช่ไหมครับกบเราแต่เขารักเราแต่ว่าเหม piel, ือนกับกบเราเห ม, มือนว่ามันก็ทําเหตุที่ทําให้เรานั้นจะต้องจากกันไปห่าง ก, กันไปนะครับต่างคนต่างก็ไปกันทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เดี๋ยวก็แบ่งมรดกไม่ใช่เป็นชื่อเราแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านดรสวัสดิ์สวัสดิ์เขาทำได้ให้เราได้คิดนะครับว่าเป็นของฝากจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นของเราจะเป็นของนนจริงๆที่ได้กินได้ใช้ไปของเราครับของที่เหลือไม่ใช่นะครับ ยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ผมกินใจมากเลยนะครับข้างหนึ่งท่านหญิงไอาชานะครับเชื้อแพะแล้วก็สลดก็สลดก็ให้คนทั้งหมดได้เหลือเนื้อก้อนหนึ่งไว้เพียงก้อนเดียวนะครับคิดว่าเอาไว้รับประทานพอท่านโซโ ล, ลสลดก็หัวเราะเลยพอมาถึงเธอก็บอกวันนี้เชื้อแพะนะครับให้คนอื่นไปหมดเลยเนื่อเหลือเนื้อก็นี้ไว้ท่านนาบีบอกว่ากล่าวาว่ายะไอาชารู้ไหมนี่สิ่งที่เธอให้ไป น, นั่นคือของเธอ ให้คนโน้นให้คนนี้ทำบุญไปนั่นคือของเธอครับแต่สิ่งที่เหลืออยู่นี้ยังไม่มั่นใจจะเป็นของเธอหรือเปล่าหลายคนคิดนะครับว่าในสิ่งตอนนี้นะครับสิ่งที่อยู่กับเราบ้านที่อยู่อะไรทั้งหมดเลยหลายคนบอกว่าจะเป็นของเราแต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับสิ่งที่เป็นของเราเหมือนที่ท่านในบีไว้ก็คือกล่าวไว้คือสิ่งที่ทำบุญบสิ่งที่เราทำเส ร, ร็จแล้วก็ฝานาคารไว้ได้กินได้ใช้นั่นคือสิ่งที่เป็นของกับเราอย่างจริงจังนั้นจริงจริงครับที่ท่านในบีกล่าวไว้ว่ากาแฟ าวากฟ้าบินมจี้ว่ถ้าเตือนกันรับความตายเพียงเรื่องเดียวเตือนกันให้กลับมาสู่ศาสนาก็พอเพียงแล้วนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับอาอจารย์อาจารย์วิศวะครับวิชาตาฮีตคือวิชาอะไรครับอันนี้เพื่อเป็นให้นักศึกษาเกี่ยวกับหัวรับได้รู้ด้วยเรียกว่าพื้นฐานของเรียกว่าฟัดดูอินฟัดดูกีฟยยะอีกข้อเดียวกับ ครับเป็นคำถามที่ดีนะเนี่ยการอนุโลกรีเนี่ยคิดถึงจมวอัลลัฟนั่นแหละมันจะคิดถึงคนมุสลิมตามสุเราอเลยเนี่ยเราส่งมานะเป็นห่วงอัลลัฟโลนั่นพี่น้องอัลลัฟต้องขอทุกอาให้อหม่อมวันี้เยอะๆนะเขามีอายุยาวยารับใช้งานศัสนาของอัลลอฮ์ต่อไปวิชาเตาวฮิติถามเมอร์ด้กีเนี่ย เาเนี่ยอธิบายก็คือการยอมรับให้อัลลอ์เนี่ยเป็นพระเจ้าองค์เดียวอัลล์มีองค์เดียวนะฉะนั้นคนที่รู้จักอัลลอฮ์อัลลอ์มีองค์เดียวต้องรู้จักอัลลอฮ์ในสิ่งสามประการหนึ่งอัลลอ์เป็นอะไรนะอัลล์เป็นเป็นผู้สร้างสร้างแล้วยังไม่พอบริหารดูแลจัดการอัลล์ รับผิดชอบแต่เพียงคุณเร า, าสร้างเาลาบริหารเาลาจัดการดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเาลาจัดการหมดเลยแต่เพียงคูเดียวเรียกว่าอัลลอฮ์คุณรอบคุณอัลลอฮ์เป็นปะพะผู้อธิบายสองอัลลอฮ์ในฐานะเป็นอิลาเป็นพระเจา้าอธิบายยังไงไม่อนุญาตให้มนุษย์เนี่ยก้องลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวอ้าถ้าไปกราบดวงดวงอาทิตย์ ก็รอสร้างดวงอาทิตย์มาเพื่อดูแลเราเพื่อมาเพื่อมาดูแลพวกเราเนี่ยเราถ้าไม่มีดวงอาทิตย์จอยู่ได้ไหมจบอายท่านดวงอาทิตย์ามาดูแลเรามาบริหารเรามาชุทําให้เรามีความสุขมีความสบายท่านจะไปกราบดวงอาทิตย์ดวงจนันทร์ต้นกลงต้นกล้วยต้นกล้วยที่ออกปีกลาง ต, ต้นกราบได้ไหมไม่ได้ ต้องกราบใครต้องกราบอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์น่ยให้ปีเนี่ยออกอะไรให้ต้นกล้วยออกปีการต้นไม่ใช่กล้วยออกปีการต้นเองแต่อัลลอฮ์ให้ออกกั้นส่วนใหญ่เนี่ยนึกว่าต้นกล้วยศักดิ์สิทธิ์แล้วไปกราบต้นกล้วยกันใหญ่แต่บอกไม่ใช่ไม่ใช่กราบอัลลอฮ์นั่นเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ให้สามารถออกปีกลางต้นกล้วยได้ข้อที่สามอัลลอฮ์มีสิ่ัตมีคุณลักษณะมีชื่อนะ ที่เราสามารถเรียกได้มีอีก99พระนามแต่ที่เราเรียนมาในยี่สิบยังขาดไปอีก80ดสิบนะ่นนะพวกเราก็เก่งนะเรียนแค่ยี่สิบเลนะยีสบเองนะถ้าอีก80ดสิบไม่ได้เรียนผมก็ถูกหลอกมามเรียนแค่ยี่สิบนั่นแหละพอไปเรียนหนังสืออ้าวอีกแ0สิบไม่ได้เรียน ดันั้นชื่อของอัลลอฮ์สิทธิอัลลอฮ์มีอีกอัลลอฮ์มานอัฮิมกับูกอฟัดูดไม่รู้ท่านน่ะพนามของอัลลอฮ์มีทั้งหมด9ก้าสุเก้าพนามแล้วก็มีความสามารถจริงๆด้วยในการรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยนะคือเรียนเรื่องเตาฮีเตาฮีหมาถึงยอมรับว่าให้อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวการรู้จักอัลลอฮ์ต้องประกอบไปด้วยสามรายการหนึ่งอัลลอฮ์เป็นผู้บริหารจัดการโลกแต่เพียงผู้เดียวสองอัลลอฮ์เป็นพระเจ้า สามอัลลอฮ์มีคุณลักษณะพิเศษน่ะซึ่งไม่เหมือนคนอื่นเขาเนี่ยนะทั้งโลกเนี่ยอีกเก้าสิบเก้าพนหนาะเน้นคุยต่อยนิดนะได้นะให้เวลาดูนะเยัน <laughs> ผม ม, มีมีประชุมแต่บ่ายโมองม <laughs> อ, อธิบายอย่างนี้มีลูกชายกษัตริย์องค์หนึ่งเคยเล่าให้ฟังแล้วเล่าใหม่เกียรติมุสลิมน่าดูเลย ก็วันหนึ่งไปเจออุลมะคนหนึ่งแต่เขาไม่รู้เป็นอุลมะชื่อจะมารุ ด, ดีนก็ว่าไปจับตัวสลูกชายกษัตริย์พอจับตัวคนนี้มาชื่อจะมารุดดีนลูกชายกษัตริย์องค์นี้เนี่ยนะมีมีหมาด้วยมีสุนัขอยู่สุนัขหมาพออุลมะก็มานั่งเขาก็ถามบอกว่าคุณกับหมาฉันเนี่ยใครดีกว่ากัน ผมก็ตอบไม่ได้ไปน้องโอโ้ยภาษานี่หนักมากเลยนะคุณกับหมาฉันเนี่ยใครดีกว่ากันอุลมะตัวนี้ตอบว่าฉันยังตอบไม่ได้จนกว่าฉันจะตายก่อนขอโรอนานตอบมาเลยราให้คุณตายเมื่อไรอ่ะที่เปี๊ยตอบไปเลยสั้นๆเขาบอกว่าถ้าหากว่าฉันตายในสภาพที่ฉันมีอีมา ฉันเนี่ยดีกว่าสุนัขขังชันแต่ถ้าหากว่าฉันเนี่ยตาในสภาพที่ชันไม่มี إ ي ม ا ن น, นะสุนัขของชันเนี่ยดีกว่าฉันตอบแสบหน้าดูเสร็จแล้วลูกชายข้าศัตริยเนี่ยไม่เคยได้ยินนะ่ะคำว่า إ ي م านไม่เคยได้ยินได้ยินแต่ดันสิงดึงกิ่งปักกิ่งสารพัดของคารามรู้อุจจารดเลยแต่คาว่า إ ي م านไม่เคยได้ยินข้าเช่าว่า إ ي م ا ของเองนะ่ะอะไรวะ คนที้ก็ตอบอีมานก็คือคนที่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างเขามาคนนั้นเป็นคนที่มีอีมานคนที่รู้ว่าโลกใบนี้ใครบริหารจัดการคนนั้นเป็นคนที่มีอีมานและคนที่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นฟื้นแล้ปยืนอยู่ต่อหน้าพระ้าแห่งอัลลอะฺผู้นั้นเป็นคนที่มีอีมานนี่คือคําตอบและต่อมารับพัสกาทำอย่างไร